นี้เราก็นั่งพิจารณาปฏิบัติตามสบายในวันนี้เป็นวันธรรมโซนะรณเป็นวันฟังธรรมเราก็มีโอกาสได้มาพิจารณาธรร่วมกันซึ่งในที่นี้เป็นวัดหรือว่า ป, ป่าขุมห้วยสวยดซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งค่ายของพระ บาสุบาศิกาด้วยนะแล้วก็ที่แรกเข้ามาดูว่าสี่พักที่อ่าศัยที่สะดวกและปลอดภัยสําหรับญาติโยมคงจะไม่เืียงพอเลยส่วนหนึ่งก็เลยให้พักปฏิบัติอยู่ทางโน้นอีกส่วนหนึ่งก็พักปฏิบัติทางนี้ก็ทางโน้นก็ มีสปายะที่ดีทางสสมของฝ่ายวสิกาซึ่งก็ในที่นี่มีป่าที่เป็นธรรมชาติอยู่มีสะดวกสำหรับวสกกุกพระก็คือตั้งค่ายตั้งเต็นในป่ า, ก, าก็สำหรับวสุวสิกาสำหรับวสิกาก็อยู่ตามกุฏิ เ, เก่าๆนะซึ่งเมื่ก่อนสถานที่นี้เป็นที่สร้างนะบุญบา ร, รมีของหลวงปู่คำล่าเนะมื่อ20กว่าปีก่อนป็นมรณภาพไปนะสมัยนั้นก็จเจริญรุ่งเรืองญาติโยมเข้ามาปฏิบัติกันมากมาตามประเพณีทางเหนือนะท่านเป็นพระที่บำเพ็ญบุีทางสร้างพระเจดีย์ ตามยอดเขาต่างๆที่นี่ก็เวมนกันเขายอดเขา ข, าข้างบนก็มีพระใจดียนะเรเป็นธรรมเนียมของคูบาปราพิีทางเหนือนะสร้างบุญบารมีญาติโยมก็พอได้อาศัยบุญ น, นะให้อุ่นใจแต่ว่าการปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าจะนำไปสู่การดับทุกข์หรือการ ทำลายอาสวะแต่เป็นการสั่งสมบุญกุศลสร้างบุญบรารมีเฉยๆที่นี่มาเองก็เลยได้มาแวะดูม า, มาเยี่ยมอสมอที่คณะของโยมวิปุลได้ทำกันก็แวะมาดูที่นี่ก็เป็นที่เป็นสปายะเพื่อมาขอใช้สถานที่ซึ่งก็มีป่าไม้มีภูเขามี ฐานน้าที่เราต้องการเป็นที่สงัดวิเวกห่างไกลชุมชนพอสมควรก็เข้ามาอยู่กันได้ประมาณสักสิบวันก็ปรากฏว่าระแบ่งช่วงอบรมอยู่สามช่วงช่วงที่หนึ่งก็จะว่าที่หนึ่งถึงว่าที่สิบที่ผ่านมาสิบเอ็ดวันโดยช่วงที่ฝึกฝนอบรมโดยทั่วไป เรื่องของการจัดทรัพยาต่างให้พร้อมนะในเบื้องต้นช่วงที่สองเบื้องต้นเราก็ปฏิบัติในแคมป์ในค่ายช่วงกลางวันตอนเช้าตอนเย็นก็มาปฏิบัติที่นี่ก็ศึกษ า, าธรรมวิจัยทํรร่วมกันตอนแต่ดีสี่ถึงสามทุ่มทุกวันโนะี่พอช่วงที่สองตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เมื่อ หวานไป้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่เปลี่ยนค่ายสำหรับกันสำหรับคนที่คัดเลือกสำหรับคนที่ได้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์ก็ปรากฏว่าเที่ยวนี้ก็เลยได้อาได้อารมณ์ทั้งลบนำกันโดยส่วนมากไม่ได้อยู่สองรูปก็เลยให้กลับ ให้กลับวัดคนไหนผ่านไปสิวันไม่ได้อารมณ์รูปนําก็แสดงว่าไม่มีใจไม่มีศรัทธาอยู่ไปก็จะเสียเวลาก็ให้กลับวัดไปสองรูป ก, ก็เหลืออยู่สิบเก้าทั้หมดยี่สิเอ็ดรูปนะสำหรับญาติโยมก็ให้สมัครใจเอาคนไหนจะอยู่อาศรที่นั่นคนไหนจะมาที่นี่ก็ได้แต่ที่นี่จะมีะข้อ ที่แตกต่างจากที่นน่นคือเสนาสนะไม่สะดวกห้องน้ําห้องส้วมไม่สะดวกแต่อยู่ตามธรรมชาติ อ, อย่าใส่เต็นห้องน้ําห้องสรงขออาศัยได้แต่น้ําใช้น้ําธรรมชาติปเป็นเป็ะป่าภูเขาทางอสมปะพิกลนั่นก็จะสะดวกและปลอดภัยแต่ข้อที่ได้เปรียบที่นี่คือความเป็นธรรมชาติความสงบห่างไกลจากชุมชน แล้วภาคปฏิบัติก็ตื่นตีสามครึ่งก็ไปปฏิบัติไปถึงสามทุ่มในภาคที่สองก็ในช่วงเช้านั้งแหละตีสามครึ่งไปถึงแปดโมงเช้าก็เก้าโมงเช้าเราปฏิบัติอยู่ข้างบนจีดีตื่นเช้าขึ้นมาก็เดินขึ้นเขาไปปฏิบัติข้างบนถึงตีถึงแปดโมงเก้ามงเช้ากลับลงมาก็รับอาหาร ที่ดังอสมมาส่งรับประารมื้อเดียวแล้วก็ในช่วงกลางวันก็ญาติโยมก็ปฏิบัติกันข้างนอกพระก็เข้าอยู่ในค่ายจนไปถึงหกโมงเย็น<อ>ก็ไม่รับน้ำประน้านิ้ก็อาบน้าอาบท่าแล้วก็ออกมาปฏิบัติตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงสามทุ่ม พอเป็นอย่างนี้จะไปถึงวันที่ยี่สิบระยะแบบนี้คือพระขึ้นปฏิบัติครึวันเม่อกันเนอะข้างบนลงปฏิบัตินี่ครึ่งวันญาโยมก็ขึ้นไปปฏิบัติกับพระช่วงเช้าบนภูเขาอากาศก็เย็นสบายนะไปปฏิบัติในช่วงที่สองตั้งแต่วันเมื่อวานนี้ไปถึงวันที่ยี่สิบ ช่วงที่สามก็จะเป็นช่วงวันที่ยี่เอถึงวันที่สามสิบก็เป็นช่วงที่ส่วนหนึ่งก็จะมีการาจาริกทุดงไปตามป่าตามเขาสะห้าวันอีกห้าวันก็ออกมาประชุมสัมมนาประเมินผลและวางโครงงานต่างๆ ต, ตามโครงการนะเพ ย่าโยมที่พักที่นุ่นก็ดีอ ย, อยู่ที่นี่ก็ดีเราก็ให้สมัครใจตามสะดวกจอยู่ที่นุ่นก็ได้มาที่นี่ก็ได้แต่มาที่นี่ก็คือต้องรับสภาพที่นี่ก็คือไม่สะดวกแต่ว่าความเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้ตรวจสอบได้ภาคปฏิบัติก็มีการสอบอารมณ์กันในช่วงเย็นบ้างช่วงช้าบ้างตาม ช่วงแรกเราก็มีการทำรายงานมีการบ้านส่งประจำวันแล้วก็มีการสักถามปัญหาในเรื่องปฏิบัติการให้หายข้องใจในช่วงแรกเคลียร์ปัญหาเรื่องความข้อใจให้หมดแล้วคนไหนที่ไม่ทำตามปฏิกากฎเกณฑ์ล้วก็ให้ให้เปลี่ยนค่ายนะในช่วงที่สองตั้งแต่วัน วันเมื่อวานไปถึงหรือวันนี้ก็ได้ไปถึงวันที่ยี่สิบทางโยมปฏิบัติทางโน้นรู้สึกสบายเกินไปก็จะมาฝึกความลำบากที่นี่ก็ได้คนที่ได้รู้สึกอยู่ที่ลำบากก็จะเปลี่ยนไปที่นู้นก็ได้อันนี้แล้วแต่สมัครใจนะไม่ไม่มีการบังคับกันพอเรามาศึกษาทางโน้นก็เป็นชั้นหนึ่งอันนี้ก็ชั้นหนึ่งอันนั้นประถมทันนี้มัธยมหรือบางนี้ประถมธนวัฒน์ภูมก็ได้ แล้วแต่ใครจะรับความก้าวหน้าแต่ที่จะเรียนแบบผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบตัวเองนะไม่มีการบังคับนะเพราะว่าทุกคนรับผิดชอบแต่เราเรามีกติกาเอาไว้ว่าถึงเวลานี้ต้องทําวันนี้ในะสอบอารมณ์ในะสอบอารมณ์ก็รู้ว่าอารมณ์ตัวเองเป็นอะไรอย่างไรก็เป็นระยะระยะไปนะเพราะในวิธีการหลวงพ่อเทียนนี่เราจะให้ และผิดชอบตเองเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ที่เข้าใจหลักอภิษนาแล้วก็จะปล่อยให้ศึกษาแต่ว่าก็รักษาเวลารักษากติกาแต่คนไหที่ยังเป็นสมถะอยู่เราก็ให้ไม่ให้หลับตาหรือไม่ให้นั่งแช่เพราะสมถะนั้นจะนั่งแช่นั่งแบบทะลุเวทนานันเรียกว่าสมถะเอาเวทนาเป็นประกัน จัวเวทนาเป็นตัวกันแต่วิปัสนานี้เราจะไม่เอาตัวเวทนาเป็นตัวกันแต่เอาตัวปัญญาเป็นตัวกันคือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทุกระยะการเคลื่อนไหวนะตั้งแต่หยาบกลางละเอียดอยากไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเวทนาทางกายนะทางกลางก็ได้เห็นความรู้สึกที่เราพอทนได้ อย่างอยาบคือเวทนาที่เราทนไม่ได้อย่างละเอียดคือเวทนาที่เราทนได้สบายแล้วก็ปรับเวทนาจากอยาบกลางละเอียดสลับกันไปสลับกันมาโดยที่ไม่แช่ในเวทนาการแช่เวทนาเป็นสมถะอย่างหนึ่งต้องการที่สร้างพลังสมาธิพลังจิตเอาชนะเวทนาด้วยการใช้สมาธิ แต่วิปสัสสนานั้นจะเปลี่ยนเวทนาให้เป็นปัญญาเลยทีเดียวโดยเอาสัมปชัญญะเป็นสมาสมาธิก็จะพยายามแยกแยะเห็นในฝ่ายรูปกับนามแยกกันให้ชัดในส่วนรูปก็คือเวทนาของกายในส่วนนามคือเวทนาของจิตก็เอามา สงเคราะห์กันว่าช่วงไหนเราต้องตามรู้เวทนาทางกายแก้ไขปัญหาทางกายทั้งเริ่มต้นก็คือเราจะดูอาการของกายให้ชำนาญนะแล้วก็พยายามที่จ ะ, ะจัดการเวทนาทางกายเนี่ยแปลงให้มันเป็นตัวสัมปชัญญะปัญญาได้อย่างไรแล้วก็ฝึกกันตามลำดับ เมื่อรู้จักแยกสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาให้เห็นชัดว่าลักษณะของแต่ละอย่างเป็นอย่างไรก็ให้ไปทำแล้วทำบันทึกออกมาตอนเย็นก็มีการตรวจนะการบ้านแล้วคนไหนทำไม่ได้ก็เขียนปัญหาถามในสมุดบันทึกในช่วงแรกที่เราทำกันอย่างนั้นในช่วงที่สองเราก็ทิ้งการบันทึกทิ้งการถามให้มาทนะ ใ น, นช่วงที่สามเราก็จะไปพิสูจน์หมายว่าอาจจะพาบุ ป, ป่าฟ้าดงขึ้นเขาลงห้วยไประยะสักสามสี่วันช่วงท้ายก็กลับมาประเมินผลกันอันนี้คือขบวนการที่เราตั้งเอาไว้แลสำหรับคนที่อยู่ทางโน้นสี่วันแล้วอาจจะกลับข้างมาทางนี้ถ้าสมัครใจนะแต่ถ้าอยู่ที่นนรู้สึกสบายก็ อยู่ที่นี่ตละดทั้เดียนก็ได้แต่อยู่ที่นี่เราจะเชื่อมวยงในแง่ของการตรวจสอบตรวจสอบสภาวะต่างๆให้ชัดเจนคือต้องการให้เกิดปัญญาเพราะคนเราเมื่อเกิดปัญญาแล้วนี่เราไม่กลัวไม่กลัวเวทนาไม่กลัวราคะไม่กลัวโทสะไม่กลัวโมหะพร้อมที่แปลงสภาพของราคะโทสะโมหะให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้อย่างไรก็มีการเรียนรู้วิธีแปลง เพราะไม่ต้องการสมาธิที่ไม่มีปัญญาแต่ต้องการสมาธิที่ทําให้เกิดปัญญาก็เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือสัมปชัญญะเราก็จะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานญะว่าสัมปทานยะกับสัมมาสมา ธ, มาธิเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราก็จะเรียนรู้รายละเอียดถึงสภาวะต่างๆอันนี้เพื่อให้เกิดปัญญาแต่สําหรับบางคนที่ยังไม่พร้อมที่จะเกิดปัญญาก็กลับไปตั้งต้นเรียนเบื้องต้น ไตระดับขึ้นมาใหม่หยาบกลางละเอียดขึ้นไปทวทนาทางกายมีสามระดับคือความรู้สึกสบายความรู้สึกไม่สบายและความรู้สึกไม่แน่ความรู้สึกที่ยังไม่แน่ว่าสบายหรือไม่สบายวทนาทางกายเราจะไตระดับจากนี้ไปวทนาที่สบายก็ทำให้เราชอบใจวทนาที่ไม่สบายทำให้เราไม่ชอบใจวทนาที่ยังไม่แน่ก็ทาให้เรา ไม่สนใจเพราะฉะนั้นในระดับเวทนาทางใจก็ออกมาเป็นชอบใจไม่ชอบใจและไม่สนใจเวทนาทางกายก็จะออกมาเป็นสบายไม่สบายแล้วก็ไม่แน่เราจะดูเวทนาทั้งสองระดับนี้ให้เป็นเสียก่อนเวทนาไหนที่ยังไม่แน่ก็มาดูว่าเพราะอะไรนะอันนั้นแล้วก็ให้ศึกษาไป ว่าตลอะเวลาเรามีความเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นความทุกข์ความทุกข์ความไม่สบายกายเนี่ยมันก็แสงตัวตลอดเวลาเพราะนั้นเราจะแปลงความไม่สบายให้เป็นสมาธิได้อย่างไรแต่ความสบายก็มีน้อยมีน้อยความสบายนี่ปรับให้เป็นศีลความรู้สึกยังไม่แน่หรือความไม่ใส่ใจเนี่ยต้องแปลงให้เป็นปัญญาให้ได้ ก็คือใส่ใจลงไปก็ลําดับไปอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันซ้ําไปซ้ำมาซ้ําไปซ้ำมาจนกระทั่งชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรคนไหนทําออกมาได้ไม่ได้ก็มารายงานกันตอนเย็นก็เป็นวิธีการศึกษาเราแต่ละคมก็ได้อารมณ์นะพิสูจน์กันตอนเช้าช่วงสี่วันผ่านไปไม่ได้อารมณ์อยู่สองคนบอกให้แก้ตัวใหม่ถ้าไม่แก้ตัวก็กลับบ้านเอาในเขาบอกกลับบ้านดีกว่าก็ให้กลับบ้านเออมามาค่ายนี่แล้วมันมีสัพยะทุกด้านน่ะ แล้วคุณไม่ไม่ได้เรื่องนี่หมายความว่าไงหมายความว่าคุณไม่มีศรัทธาเพาไม่มีศรัทธาคุณจะอยู่ไปทำไมแล้วก็มีการตรวจสอบอาหารได้สั ป, ปะยะเขาก็ส่งถึงที่อาว่าสัพเ ะ, ะมีความพร้อมด้านธรรมชาติได้สิ่งแวดล้อมที่เ อ, อื้อทุกอย่างอากาศไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปบุคลาสัพเ ะ, ะเพื่อนสหายเพื่อนมิสหายที่ปฏิบัติให้ความอบอุ่นให้ความเ อ, อื้อเฟือเฟ้ออาทรกันเั็นอย่างดี ธรรมะสัพยะในวิธีการที่เรามานาปฏิบัติก็ทุกคนก็ปฏิบัติได้ไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปคือวิธีการเคลื่อนไหวนะเมื่อสัพยะพร้อมทุกอย่างแล้วนี่เราก็ยังไม่ได้ผลขอ ก, การปฏิบัติแล้วคุณจะไปหาสัพยะที่ดีกว่านี้จากที่ไหนเราก็ต้องต้องพิสูจน์ศรัทธาเพราะงั้นโดยอาศัยตัวศรัทธาและความเพียรเป็นพื้นฐานนะทต้องมีความรัก ในการที่จะทําเมื่อรักแล้วพิสูจน์ความรักด้วยไรด้วยการลงมือพิสูจน์ด้วยการลงมือทําว่าเรารักตัวเองจริงไหมนะเสร็จแล้วเราก็มาขยายความว่าเรารักตัวเองรักแบบไหนนะรักที่ไม่มีโทษนะชังก็ไม่มีโทษนะเราต้องการความสุขที่ไม่มีโทษ ความทุกข์ที่ไม่มีโทษและความเป็นกลางที่ไม่มีโทษความสุขที่มีโทษแมะความความสุขที่สร้างความอยากให้เพิ่มขึ้นเป็นความสุขที่มีโทษความทุกข์ที่มีโทษคือความทุกข์ที่เราไปปฏิเสธมันเพราะนั้นความสุขก็มีคุณความทุกข์ก็มีคุณความไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีคุณ เราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรก็เราก็ศึกษารายละเอียดก็ปรากฏว่าบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็ศึกษากลับมาย้อนการศึกษาเบื้องต้นใหม่บางคนเข้าใจไปแล้วก็ไปนะก้าวหน้าต่อไปนี่ลักษณะที่การศึกษาเราเพราะนั้นในเรื่องวิธีการเป็นเพียงอุปกรณ์วิธีการเคลื่อนไหวยุบหน่อ้องหนอพุทธโพ พวกนี้เป็นเป็นอุปกรณ์เหมือนเราทานอาหารที่เราจะมีช้อนมีจานเพราะนั้นวิธีการก็เพียงเพียงช้อนถึงจานมันไม่ใช่อาหารแต่ความรู้สึกและความเข้าใจที่ได้จากวิธีการมันเป็นเสมือนอาหารที่เราจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะนั้นเราก็จะไม่เอามาเอาวิธีการม า, าว่ากันแต่ใช้วิธีการในฐานะเป็นเครื่องมือเหมือนเราจะดื่มน้ำก็ต้องใช้แก้ว กต่ทานเข้าต้องใช้จาน อ, อย่างนี้เป็นต้นเราก็จึงไม่มาขัดกันในเรื่องของวิธีการก็เพียงเหลือเพียงศรัทธาและความเพียรของเราที่จะพิสูจน์ว่าเราเป็นคนจริงเป็นคนจริงแค่ไหนที่ศึกษาแต่ตลอดเวลาที่เราสัมผัสได้ก็คือความความทุกข์ความไม่สบาย วันวนึงก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวหาวเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวสิงเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยสลับกนอยู่อย่างนี้เราก็ดิ้นโลนนะดิ้นเพื่อออกจากทุกข์ในฐานะว่าเราได้รับวิบากกรรมเพราะทำให้การเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องรับวิบากก็คือต้องอยู่กับทุกข์ อันนี้ให้ได้นะทีนี้ถ้าหากว่าเราจะปฏิบัติเพื่อให้มันพ้นวิบากอันนี้หมายความว่าต้องพ้นไปจากทุกอันนี้ด้วยตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจทุกที่เรายังมีอยู่ในปัจจุบันเราก็ต้องสร้างวิบากทุกนี้ต่อไปในชาติต่อบอกต่อไปดังนั้นเรามาศึกษาเพื่อจะให้พ้นวิบากทุกอันนี้เพราะชีวิตเป็นทุกนั่งก็ทุกนอนก็ทุกอยู่เฉยยก็ทุกกินก็ทุกหลับก็ทุก นอนไม่หลับก็ทุกมันมีกระทุกนะทีนี้จะแปลงทุกให้มันเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้อย่างไรนี่อันนี้คือเราจงมาปฏิบัติถ้าเราไม่ต้องการที่จะมาแปลงทุกให้มันเป็นศีลสมาธิปัญญาเราก็ไม่จําเป็นต้องมาปฏิบัติถ้าเรามาปฏิบัตินี้เพื่อจะแปลงทุกอันเกิดจากความพอใจทุกอันเกิดจากความไม่พอใจทุกอันเจอความไม่ไม่สนใจเนี่ย ทุกเกิดสามอย่างทุกอย่างมีแค่สามอย่างทุกท่าไหลายทั้งวงเกิดมีต้นตอมาแค่สามอย่างแค่นีนะ้ทุกเกิดจากความพอใจเช่นเราพอใจอยากจะได้มีเงินมากๆก็ต้องยอมทุกหาเงินหาบุญหามขํ า, าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนั่นทุกเกจากความพอใจเพื่จะได้มาทุกเกิดจากความพอใจอยากจะมีลูกมีผัวมีเมียมีเจ้าก็ต้องทุกทำมาหากินในการดูแลรับผิดชอบซึ่งกันและกัน ีทุกเพราะความพอใจเป็นธาตุของความพอใจต้องยอมทุกข์รับใช้ผัวรับใช้เมียรับใช้ลูกรับใช้ทรัพย์สินสมบัตริรับใช้ประเทศชาติรับใช้เวทนาสุขทุกข์ที่มีแต่ละเวลาเพราะนั้นความพอใจก็ทําให้เกิดทุกข์ความสุขก็ทําให้เกิดทุกข์<ส>เพราะความสุขเป็นต้นรองความพอใจความสบายกายความไม่สบายกายคือความทุกข์ ทุกเพราะความไม่สบายกายเ<ห>วลาเจ็บป่วยมาก็ต้องขวนไขยหาหมอหายาหาวิธีการรักษาหาน้ำาสนอดีนะี่ขยับหลายคนแต่น้ำไม่ถึงพระที่ทีนี่ดังนั้นเองก็เราจึงต้องเอาความไม่สบายเนี่ยไม่ให้มันทุกได้อย่างไร ก็ต้องแจงความไม่สบายให้เป็นปัญญาความไม่สบายนี้ถ้าเราแก้ไขมันมันเป็นสมาธินะเป็นสมาธิความสบายใจถ้าเราจัดการมันถูกต้องมันเป็นศีลแล้วก็ความไม่แน่ของความสุขทุกเนี่ยถ้าเราศึกษามาให้ดีมันเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเราแก้ไขความสบายไม่สบายและความไม่แน่ทั้งสามอย่างนี้ให้ถูกต้อง สีสมาธิปัญญาก็เกิดตรงนั้นเองโดยการแปลงโนะดยการแปลงสีสมธิปัญญาให้เป็นอตัตวสภาวะแต่ถ้าเราแปลงเป็นสีสิทธิปัญญาไม่ได้มันก็จะออกมาเป็นรากเหง้าของอกุศลนสามอย่างความพอใจเป็นรากเหง้าของราคะความไม่พอใจก็เป็นรากเหง้าของโทสะความไม่แน่ใจก็เป็นรากเหง้าของโมหะก็เชนนะ ก็จะเป็นรเป็นนี้ตลอดนะ น, นเราจะเห็นว่ามันมันไม่ยากแต่เราทำไมเราจึงไม่ทะลุก็เพราะเราเรายังยังไม่ใส่ใจที่จะศึกษานะท่านั้นก็อยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาพื้นฐานอันนี้ให้ชัดเจนก่อนแล้วต่อไปเมื่อเราชำนาญเรื่องนี้แล้วเป็นไงอยู่ที่บ้านทำได้ไหมได้ อยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ไม่ชำนาญเรื่องนี้อยู่ที่ไหนก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมอุจแกนก็เป็นปัญหาเหมือนเดิมก็แสดงว่าเราก็ยังไม่แน่ว่าเราจะเข้าถึงสภาวะอะไรต่างๆได้ <c oughs> นั่นอันนี้คือโดยสรุป ที่ใครมีข้อสงสัยอะไรถามก่อนที่จะขึ้นชอด ต, ต่อไปเข้าใจไหมหรือฟังผ่านๆไปเฉยๆมีอะไรที่ไม่เข้าใจอืม ถูกต้องแล้วนี่เราเอาน้ํารถดินเดี๋ยวต้นไม้มันก็เกิดขึ้นเองแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ต้นไม้ที่เราต้องการก็ได้ <c oughs> เราจะปลูกผักอะไรนะเอาดินรดน้ําแน่นอนดินไม่ต้องชุ่มแน่นอนะ่ะแต่เราจะปลูกผักอะไรนะหรือว่ า, าให้ต้นไม้มันเกิดขึ้นเองนะใช่ไหมการปั้นทูกดินก็ถูกแน่นอนะนะนั่นเองก็เราก็ทําความรู้สึกเป็นพื้นฐานนะ ความรู้สึกเป็นพื้นฐานก็ อ, อยากจะให้เราได้ความรู้สึกโยมพี่คุณมาหาปฏิบัติตั้งแต่ปีสองเก้านะแล้วก็ไปศึกษากันมาเรื่อยๆอ๋อหรือคุณริืมไปแล้วเห็นได้ไปแจกยมอะตามาอย่างอีช้ายอยู่เลยคุณเอาน้ำร้อนมาหินตอนร้อนไม่ก็ท่าเลยเอาแก้วมา น้ำก็นไม่กินตอนร้อนนี่แลลวอุ่นแล้วนะอึพ่อมอาจะาเขาแห้งบ่อยก็ถ้าหากว่เราศึกษาเรื่องนี้ให้ดีแล้วนี่มันมันไม่มีไม่มีความทุกข์นะอยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความสบายตลอดอยู่ยังไงก็สบายจะกินก็สบายจะแก่ก็สบายจะเจ็บก็สบายจะตายก็ยิ่งสบายอีกเพราะมันจะต้องไม่เกิดอีก อาจจะถ้าว่าเรายังไม่มั่นใจสิ่เหล่านี้ก็จะอยู่ก็ยากจะกินก็ยากจะไปก็ยากจะนอนที่ไหนก็ยากนะจะกินที่ไหนก็ยากจะเจ็บก็ยากจะตายก็ยิ่งยากอีกนะมาก็ดูเหมือนกันว่าเมื่อใดตัวเองจะตายนะ <c oughs> ยกจะตายเหมือนกันไม่ยากเนาะเป็นเรื่องเป็นเรื่อง ง, ง่ายๆหัวนั้นไม่เคย น, นี่ยังไม่แน่นะ <c oughs> อาจจะลงก็ได้ตกลงว่าทางนี้จะไปโอ้ทูกนี้ลำบากไปนอนก็ไม่สะดวกทำอะไรก็ลำบากก็ไปพักทางนู้นบ้างอยู่ที่โอ้พักที่นี่รู้สึกสบายเกินไปเซ็งก็ยังไม่อยู่ลำบากบ้างก็มาทางนี้ก็ได้อันนี้นะอันนั้นก็แต่ว่าแต่ละ แต่อย่างก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันที่นี่ข้อดีก็คื อ, อเป็นธรรมชาติตามสบายๆไม่มีการบังคับอยากจะนอนตอนไหนอยากจะหลับตอนไหนตามเวลา เ, ออเวลาสามทุ่มเรานอนนะล้วก็นอนได้ทินที่สามตื่นมาในช่วงกลางวันก็รับผิดชอบนะต่างคนก็ต่างใส่ใจเัาเองเป็นธรรมชาติ แต่ว่าตอนกัางวันไม่เห็นกันนะต่างคนต่างหาหมุมของเองนะมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้รวมกันใครจะหลกนอนหลบทำที่ไหนก็ไม่ผิดปัญหาม <c oughs> ี่ก็ทำให้เป็นอิสระแต่ตอนเย็นตอนเช้าต้องมารวมกันให้แต่และคนได้วิเคราะห์วิจัยทำเราก็รู้สึกว่าอะสะดวกแนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่นี่อ่า ไม่มีญาติโยมมารบ ก, กวนห่างจากหมู่บ้านพอสมควรนะเสียงดนตรีเสียงประกาศในหมู่บ้านก็มาไม่ถึงนะแล้วก็เลยว่าสั ป, ปะยะระดับนี้แล้วนี่ถ้าหากว่าใครไม่ได้อารมณ์เนวจะเสียดายนะเพราะข้างนอกมันเต็มไปด้วยปัญหาเร่าร้อนนะออกไปแล้วสัมผัสได้ทันทีแต่ว่าเราไม่ได้หลบหนาวหลบร้อนมาอยู่สบายแล้วนะแต่เรามาสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมที่จะออกไปรับปัญหาต่างๆแบบไม่มีปัญหาเหมือนกับเราออกไปแล้วเดินทางผ่านฝนเราก็มีร่มละมีเสื่อกันฝนเดินไปนี่จะผ่านแดดเราก็มีร่มละกันแดดได้แต่ถ้าเราสร้างร่มไม่เสร็จออกไปเจอแดดก็ต้อง ร้อนเจอฝนก็ต้องเปียกนะมานี่กข้มาสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อที่ไปอยู่กับโลกที่มีปัญหาแบบไม่มีปัญหานะมาว่าเราโชคดีนะในวิธีการขอวงพ่เทียนไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะปฏิบัติได้ง่ายๆต้องผ่านอะไรมามากแต่คนที่ผ่านเข้ามารับวิธีการของพ่อเทียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านอะไรมานะยิ่งโชคดีมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามัน ไม่ต้องไปเลาะหกละเหินในวิธีการอื่นบางคนต้องเลาะหกละเหินมาจากวิธีการอื่นหลายวิธีกว่าจะมาเจอวิธีนี้คือบางทีมาเจอแล้วก็ยังรับไม่ได้ก็มีก็ยังไม่ถึงอไม่ถึงวิบากบุญยังไม่ถึงนะแต่รับได้แล้ววิธีการนี่มันวิเศษตรงที่ว่ามันมันสบายนะหรือไม่มีอ่าข้อจํากัดอะไรมากมายมันปเป็นเหตุ ใก้ให้เกิดปัญญาได้ง่ายถ้ามีกฎระเบียบระบบระเบียบอะไรมากมันทําให้บทบังปัญญาทําให้เราเกิดวิตกกังวลและหวาดกลัวว่าจะอันนั้นจะถูกอันนี้จะผิดคนนั้นจะว่าคนนี้จะตําหนิเราเกิดวิตกกังวลเป็นอนิวรณ์แต่ถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติเข้าเข้าใจแล้วนี่มันมันทําให้เร า, าสามารถปรับ ความรู้สึกที่สบายสบายได้ตามต้องการแต่เราเป้าหมายต้องการความสบายแต่ว่าสบายแบบไม่มีโทษเขาว่าสบายแบบไม่มีโทษคือแล้วไม่ยึดติดเพราะรู้ว่าความสบายก็เป็นส่วนหนึ่งของความไม่สบายความสบายนั่นเองก่อให้เกิดความไม่สบายและความไม่สบายนั่นเองก่อให้เกิดความสบายก็เป็นเหตุปัจจัยของกันอะไรกันนะ ถ้าเราติดสบายพอไปเจอความไม่สบายแล้วก็เป็นทุกข์เราก็หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นเราสบายได้แต่ไม่ติดพร้อมที่จะไม่สบายได้เหมือนเรานั่งอ่ะนั่งไปสักพักก็ความไม่สบายก็มาพอความไม่สบายมาเราก็ปรับออกไปความสบายก็มานั่งไปสักพักหนึ่งความไม่สบายก็มาก็สลับกันอยู่นี้ดังนั้นเราจึงใช้ความสบายไม่สบายให้เป็นเครื่องมือ ให้เกิดปัญญาเพราปัญญาจะทำให้เราไม่ยึดติดในความสบายและความไม่สบายพร้อมที่จะสบายก็ได้ไม่สบายก็ได้ถ้าคนไปยึดติดความสบายก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจกายเป็นคนอ่อนแอถ้าเราไปติดในความไม่สบายก็กลายเป็นคนแข็งกระด้างเก้าร้าวทิถีมันะ เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปยุติดอะไรถึงต่างก็มีโทษแต่ว่าบางครั้งเราสบายก็ได้เมื่อเมื่อมีเหตุปัจจัยให้สบายบางครั้งเราไม่สบายก็ได้มีเหตุปัจจัยว่าต้องทำงานหนักต้องทำมาหากินต้องประกอบอาชีพกั่งานก็ไม่สบายแต่เราใช้ความไม่สบายเหมือนกับไฟ ใช้หุงข้าวต้มแกงเวลาเราต้องการใช้แสงสว่างใช้แสงสว่างเมื่อเมื่อเราต้องการถ้าเราจัดแจงความไม่สบายได้เหมือนเราจัดแจงไฟฟ้าความไม่สบายก็เป็นประโยชน์ทําให้เราได้กินอาหารอร่อยทําให้ได้แสงไฟใช้ในอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีความไม่สบายก็จะกลายเป็นความสะดวกและปลอดภัยทําให้ได้แสงสว่าง นั้นหมายความว่าจัดการความไม่สบายได้ถูกต้องความสบายก็เหมือนน้ำในบ้านเราเราใช้ในยามจำเป็นเวลาจะอาบจะสง่งเวลาจะล้างอาจจะดื่มแล้วก็เปิดใช้ได้แต่เมื่อหมดความจำเป็นแล้วก็ควรจะปิดมันเพราะนั้นเราก็จะไม่ใช้ความสบายแบบพร่ำเรื่อ และใช้ความไม่สบายแบบเพิ่มเพื่อทาให้ความสิ้นเปลืองความสบายและความไม่สบายเหมือนเราใช้น้ําใช้ไฟเกิดจําเป็นก็สิ้นเปลืองต้องเสียค่าน้ําค่าไฟหลายเดือนแพงนะฉะนั้นเราก็ใช้สุกอย่างจํากัดจํำกี่และประหยัดและใช้ทุกอย่างจํากัดจํำกี่และประหยัดเพราะสุกทุกนั้นเป็นพลังงานที่จะอำนวยความสะดวกให้เรา จากเราจึงมาฝึกฝนให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะใช้สุขใช้ทุกให้เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้เราดำเนินทางไปสู่ความสิ้นทุกสิ้นสุขถ้าเรายังมีสุขอยู่เราก็ยังไม่สิ้นทุกถ้ายังมีทุกอยู่เราก็ไม่สิ้นสุขแต่เราใช้สุขใช้ทุกให้เป็นเราก็อยู่เหนือสุขเหนือทุกสุขทุกก็จะอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางไปสู่สิ้นทุกของเราได้นั่นคือความหมายที่เรามาปฏิบัติ ถ้าเราไมาเรามาปฏิบัติไม่ใช่เพื่อความหมายนี้แล้วการปฏิบัติก็ไม่มีความหมายอะไรเป็นความเสียเวลาความเพอ้อเพ้อฝันความคลั่งไคล้อะไรเชกอย่างหนึ่งไม่ใช่ความจริงนะเพราะนั้นเราต้องรู้เป้าหมายเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรมาปฏิบัติเพื่อที่เราจะใช้สุขใช้ทุกข์ให้เป็นเมื่อสุขมาเราก็ไม่หลงเพลินเมื่อทุกข์มาเราก็ไม่กลัวเราก็ไม่หนี จะสามารถรเผชิญทั้งสองสภาวะได้อย่างสบายยิ่งเผชิญเท่าไหร่ยิ่งทำให้เราเกิดพลังยิ่งปัญญาและแสงสว่างมากขึ้นนะแต่ถ้าเรายังอยู่กับสุขทุกข์ด้วยความทุกข์ทรมานด้วยความหวยหาความสุขก็ถือว่าเราการปฏิบัติเรายังไม่ได้ผลนะเพราะนั้นมาเองก็ได้พิสูจน์ทฤษฎีและหลักการอันนี้มานาน ไม่กต่ำกว่าสามสิบปีก็ใช้หลักการนี้มาตลอดก็ถือว่าไม่ไม่เสียชาติเกิดละชาตินี้จะตายวันไหนจะป่วยวันไหนก็พร้อมนะก็คิดว่าเวลาตัวเองป่วยหรือตายถ้าไม่จําเป็นอยากจะมาไปหาหมอกันแลยกันนะค <c oughs> งี่จะป่วยจะตายได้ตลอดเวลาพราะเพียงพอแล้วแค่นี้ชีวิตแค่นี้พอแล้วไม่ต้องการที่จะถูกหวยด้วยเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านอีกแล้วนะต้องการแค่ว่าได้มีสบายกินสบายไปสะดวก แค่นั้นเอง แ, แต่อีอันหนึ่งลืมเอ่ยถึงว่าช่วงเช้าเรื่อง 4, ที่สี่ที่ห้าเรามีการดูแลธาตุขันด้วยการออกกําลังกายในช่วงที่สองคือตั้งแต่วันเมื่อวานจะไปถึงวันที่ยี่สิบเราเปลี่ยนการออกกาลังกายมาเป็นการเดินขึ้นเขาในช่วงเช้าแทนเดินขึ้นเดินลงวันละหนึ่งรอบก็ถือว่าเท่ากับออกกำลังกายไปเซต็จหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเดินขึ้น สามสิมนาทีเดินลงใช่สามสิมนาทีเนีก็ถือว่าชเฉยๆตรงนั้นแต่ในช่วงที่สามเราก็ใช้ปีนเขาแทนใครสนใจบ้างผู <c oughs> ้หญิงนี่คงจะยากนะเนาะ <c oughs> เป็นภาระนะเพ่อนเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ศึกษาตามกำลังแต่ก็จะให้ชาวบ้านไปชวนไปสำรวจเส้นทางเสียก่อนว่าเราไปที่ไหนบ้าง ลองเดินดูสักห้าวันพาไปลงป่าสักสามคืนเอาไปปล่อยในป่าแล้วหาทางกลับบ้านของใครของมันนะ <c oughs> น, นั้นก็คือวิธีการเราจะทำไงให้เกิดให้เกิดสติปัญญาเนี่ยเราจะทำนะเพราะสติปัญญาเป็นศรณะที่จะเราจะใช้ได้นะเพราะชีวิตที่ขาดสติขาดปัญญาเป็นชีวิตที่น่าสงสารและสมเพชนะเพราะทำอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ถูก เพะนั้นถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ไปวันๆโดยที่ไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญานี่อย่าอยู่ให้เสียเวลานะฝึกไปเรื่อยๆแต่เราก็จะให้หลักการจริงล้วก็ให้กันไม่ได้แต่ทุกคนต้องทําให้กับตัวเองนะแต่เขาบอกบอกวิธีการเท่านั้นเองหาไปทํากันเาอาฉะนั้นเองในช่วงที่สองนี้ที่แรกว่าจะสลับค่ายกันโดยบังคับว่าที่นี่ต้องไปที่ น, นั่นและที่นั่นต้องมาที่นี่ มาพิจารณาอีกทีแล้วคงไม่ใช่วิธีวิปัสนาต้องเป็นไปด้วยศรัทธาและความเต็มใจไม่ใช่บังคับนะถ้าเป็นการบังคับเป็นวิธีของสมถะก็สําหรับผู้ที่ยังเริ่มต้นหรือคนที่เริ่มต้นหรือคนใหม่ใช้สมถะแต่คนประสบการณ์มาบ้างแล้วก็คือต้องการศึกษาในรายละเอียดที่ลึกลงไปเป็นวิปัสนาด้วยความรักและความสมัครใจของตัวเองไม่มีการบังคับนะ แต่แล้วก็มีกติก า, าไว้เผื่อให้ความวดงามและความพร้อมเพรียงของหมู่คณะก็มีกติกานิดหน่อยนะเพื่อที่จะไม่ละหลงเกินไปอันนี้ก็คือส่วนที่นําเสนอมาช่วงแรกก่อนที่จะนําไปสู่ช่วงที่สองต้องการให้ถามปัญหามีอะไรบ้างไหมที่ปฏิบัติขันนู้นมาสิบวันมีอะไรที่ข้องใจหรือที่ลูกปูพวงสบายละ <laughs> อยู่ที่นี่สบายจะกลับไปบ้านไม่สบายอาหารไม่ดีดนตรีไม่ไพเราะเหมือนที่นี่อีกแล้ว <laughs> อยู่ที่สํานักอาหารดีดนตรีไพเราะสบายดย้วยวันทํานไม่ทุกเลยนะไม่มีปัญหาอะไรเนะกลับไปบ้านก็ห่วยหายอยากกลับมาอีกแล้วนยแสดงว่าอ่าไม่ได้ปัญญาแนละ้วนั้นก็ให้เกิดตัวยึติดได้นะถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ต้องให้ เขาไหมอีกตัวหนึ่งนะจะให้ใบงานคนเดียวคนเดียวอยู่ไห น, นามามาอยู่ข้างหลังอีกตัวหนึ่งเขาไหมตัวนั้นแ้วในภาคปฏิบัติอย่างได้กล่าวแล้วว่าเราใช้วิธีการเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนนี่เราเลยไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าถือว่าคู่คนเข้าใจแล้วนะผู้ถึงวิธีการของพ่อเทียนนี่เข้าใจกันได้หมดว่าต้องเคลื่อนไหว อาการเคลื่อนไหวนี่เพื่ออะไรเพื่อเพิ่มกำลังของสติสมัญญาท่านั่นเองนะแต่ถ้าคนบอกว่าเอ้ขี้เกียจเคลื่อนไหวนั่งสมาธิได้ไหมก็ได้ถ้ากำลังของสติสมัญญะเกิดได้ก็ทำได้นะแต่ถ้ากำลังสติสมัญญามันเกิดแต่ว่ามันน้อยเกินไปร้อยหนึ่งได้แค่สิบอ่า ลงทุนร้อยบาทแต่ได้กําไรไมาแค่สิบบาทนี่ไม่คุ้มกับการลงทุนคุณนั่งสงบไปชั่วโมงได้ปัญญามาแค่นี้เดียวเนี่ยพอนที่นี่เราไม่ต้องการสมาธิมากนั้นนะต้องการต้องการความรู้ความเข้าใจเพราะนั้นลงทุนไปร้อยหนึง่งคุณจะได้ทั้งสองร้อยหรือสามร้อยในวิธีการหอวงพเทียนมันการการเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้กําลังสติกําลังสมาธิกาลังปัญญาขึ้นมาแทน เพราะถ้าหากเกิดปัญญาเนนะ่ความสงบคุณต้องการเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องไปนั่งให้ลบาบากแต่ถ้าหากว่าคุณไม่เกิดปัญญานะจิตคุณสงบคุณก็รักษาไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็สลายไปแต่ถ้าเกิดปัญญาแล้วความสงบคุณหามาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเรารู้วิธีว่าจะทำให้จิตสงบได้อย่างไรเนะพราะเรามีปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาจิตสงบพอหมดเงื่อนไข คุณก็หากับคืนมาไม่ได้ก็หมดแล้วก็หมดเลยอันนี้เรียกว่าทำสมาธิไม่เกิดปัญญาคือได้มาแล้วก็หายไปนะแต่ถ้าหากว่าเราเกิดปัญญาเส้อก่อนสมาธิทำเมื่อไหร่ก็ได้สมาธิคือจิตทำจิตใจให้ปลอดโปร่งเบาสบายผ่อนคลายและเยือกเย็นเค่นั้นเองและมั่นคงนะนั้นก็ถ้าเข้าใจได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราภาวนาเป็น สามารถจะทําให้ศีนเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ทําให้สร้างสมาริเกิดขึ้นมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้และทาให้สร้างปัญญาขึ้นมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นี่คือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาที่เราจะนําไปใช้ได้เรียกว่าส ม, มัปัญญาส ม, มัปัญญายปัสสติที่ในเรื่องของบัญญัติคือไตรลักษณ์เนี่ย ที่เราคุ้นหูกันว่าใจรักคือตัวอนิจจังทุกข์ฐานะตาเนี่ยเราสัมผัสมันได้เป็นบางครั้งหรือสัมผัสได้ต่อเวลาต้องถามทีละคนไหมพี่จะให้ยกมือทั้งนับโบส <c oughs> จะยกมือนับโบสหรือถามทีละคนดี ว่าไตลักษ์ปรากฏเป็นบางคราวหรือปรากฏตละเวลาไอ้หนูคู้จากไตลักษ์ไหมชื่ออะไรไอห้หลวงพ่อพูดพูดค่อยไปเรือร่อว่ า, าได้ยินอ๋อเขาเป็นคนหูไม่ค่อยดีอ๋อเลย อ๋อเหรอเอามาจากพม่าอ๋อเรอเราต้องอาศัยโยมสุภาพแปลหน่อยได้ไงถ้าเป็นพม่าถามว่าอนิจจังทุกขังนัตตาที่ในกายในใจของปรากฏตลอดเวลาหรือปรากฏไปบางครั้งมีบางครั้งอยมสุภาพใจรักนิจจังทุกขังนัตตาในชีวิตเราปรากฏเป็นบางครั้งหรือปรากฏตลอดเวลา ท่านนี้เปไงยมนด์ได้รักในร่างกายในจิตใจของเราปรากฏเป็นบางครั้งหรือปรากฏตลอดเวลาปรากฏตลอดเวลาเราเห็นมันบางครั้งเราเห็นมันตลอดเวลาคอยอะไรจึงไม่เห็นตลอดเวลาเล่าเสียงคอยอะไรทั้งพ่อยอยากจะได้ใหมน่นี้ยังไม่เสร็จได้ไหม อ๋อนั่นเนี่ยถามัอยู่ตรงนั้นในนั่นไงในถานั่นไหนข้างหน้าคุณนั่นเองคุณเปินเออสองคนนะปคน A เอคน B ปีคน A อค น, น, นไหน <laughs> แล้ว <laughs> แต่ลักประกันตลอดเวลาหรื อ, อประกเป็นบางคราวอืม มันจะปรากดตอนไหนแต่ทางใจเนี่ยแต่เรารู้แต่รักได้ตลอดเวลาหรือรู้ได้เป็นบางคราวยงจิราพรนะนั่นสิเรารู้แต่รักที่มันเกิดตลอดเวลาได้เป็นบางครั้งหรือลรารู้ได้ตลอดเวลาเมื่อเรามีสติถ้ามีสติเนี่ยเรารู้แต่รักแค่ในนามของความรู้สึกตัวเท่านั้น แต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้แต่ลักถึงความเป็นต่สิขาอ่เพราะนั้นเฉพาะสติเนี่ยมันได้ระดับในระดับหนึ่งทำให้เกิดความรู้สึกตัวและรู้สึกชา้ารู้สึกไวเพราะนั้นทางกายนะแต่พอมีสมาธิหรือสัมปชัญญะความรู้สึกตัวนี้ตั้งอยู่ได้นานแต่พอมีปัญญาทำให้ เห็นใจรักได้ยังไงคุยใช่ไหมไหนถ้าถ้าถ้าเรามีปัญญามีสัมภาชญญาเนี่ยจะทำให้เราสามารถแก้ไขทุกข์ของเราได้ที่ปัญญาจะเกิดตอนไหนอ่ะจะเกิดตอนที่เมื่อเรามีการฝึกฝนแล้วก็เราต้องมีทั้งสี่สมาธิค่ะ เพราะว่าการฝึกสติเนี่ยเพื่อให้เกิดอะไรให้เกิดสัมพัสัญญาเมื่อเกิดสมัญยะก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมน ะ, ค, ะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่มันทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไรเมื่อเรามีความรู้สึกตัวทั่วพรอ้อมหรือสัมผััญญเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะพิจรารณา ว่าเกิดเ อ, อทุกข์นั้นเกิดจากอะไรก็คือเราสามารถรู้สาเหตุของทุกข์เอา น, นี้หลวงพ่อถามคุณก่อนว่าคุณเคยใช้เทียนไขที่บ้านไหมตอนไฟดับใช้น้อยค่ะหลวงพอ่อเทียนไขใช้น้อยเดีย๋ยวนี้ใช้ไฟฉายค่ะไฟฉายนะหรือว่าไฟฟ้าค่ะอย่าเอ า, ชาใช้ไฟฉายดีกว่านะ้ะ <laughs> <laughs> ไฟฉายสว่างกว่าไฟฉายองค์ประกอบของไฟฉายมีอะไรบ้างหนึ่ง มีกระบอกมีถังสองแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่ตตรสามสวิตสี 4, เ่เปิดปิดหลอดไ ฟ, อ, ดไฟอ่ะค่ะผมกํกังสี่ส่วนนะในสส่วนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสติสัมัญญะสมาธิและปัญญาถ้าเปรียบ กับองค์ของไฟฉายตัวไหนเป็นสติตัวไหนเป็นสมาธิตัวไหนเป็นสมมติยะตัวไหนเป็นปัญญาเพราะองค์ประกอบของไฟฉายมีสี่ส่วนใช่ไหมมีกระบอกเปิดปิดปลั๊กใช่ไหมล่ะอะไรไฟฉายมีปลั๊กด้วยเหรอไอ้ตัวตัวสวิตต์ค่ะสวิตต์ออฟสวิตต์ออนสวิตต์ออนออฟนี้จะเป็นสตินะสี่ส่วนคือหนึ่งกระบอกสองสวิตต์สามแบตเตอรี่สี่หลอดถ้าเปรียบสติสมาธิ ญญสมัญญาและปัญญาตัวไหนเป็นตัวไหนสมาธิสัมปชัญญะและปัญญาอีกครั้งนี้งไหมคร<ถ>ับสติทาหน้าที่อะไรในกระบอกไฟายสติทาหน้าที่อะไรยมแบตเตอรี่ฮะเพราะไฟสายมีสี่องค์ประกอบใช่ไหมใช่ ีนี้จะทํำกระบอกแบตเตอรี่หลอดไฟอ่าเป้าหมายที่ทําต้องใช้ไฟฉายเพื่ออะไรแสงสว่างเพื่อให้ตาเห็นใช่ค่ะเออแสงสว่างมีที่ไหนก็ได้คือปัญญาอ่าค่ะหนึ่งก็คือสวิตทําหน้าที่เป็นสติสติเปิดปิดสองกระบอกทําหน้าที่เป็นสมาธิสมาธิสามผ่านไฟฉายทําหน้าที่เป็นสัมชัญญสี่หลอด สว่างที่สว่างออกมาเป็นปัญญาเป็นปัญญาห้าท่ที่เราเห็นเนี่ยคือปัญญาห้าห้า อ, อีองประกอบหนึ่ ง, งประกอบสุดท้ายมีอะไรบ้างก็ถูกบอกไม่ได้ มือที่จับเรานนไม่ อ, กออกเลยอันนี้คือตัวยานทําหน้าที่รวมทั้งหมดทั้งสี่องค์ประกอบนั้นต้องทําให้เกิดยา น, ยานคือตัวรู้่ อ, อคะหรือดวงตาค่ะนั้นดวงตาทําหน้าที่เหมือนยานปัญญาที่ทําให้ตาต้องการทั้งหมดนี่คือตัวยานนะก็คืออันนี้คือองค์ประกอบสี่อย่างเนี่ยเพื่อให้เกิดยานปัญญาเท่านัาน้นเองถ้าปัญญายังไม่เป็นยานมันก็มีแต่หัวหลอดแต่ไม่ทําหน้าที่ เพรันไอ๋อ่าคนที่นี่เขาเรียกการกระทำเรียกว่าการกระทบสัมผัสเพราะนั้นถามว่าปัญญาเกิดตอนไหนคือการกระทบสัมผัสการกระทบสัมผัสอ่าเมื่ออ่านกระทบสัมผัสขึ้นหน้าที่ของสติสมาธิปัญญาถึงทำหน้าที่ได้ไปใช้นี่พ่อกดปิดวยวะค่ะพบองค์ประกอบพบองค์ประกอบค่ะอ่าตรงนี้เขาเรียกว่า ประกอบโดยองค์ประกอบห้าส่วนถึงจะเกิดประโยชน์นะฮะอันนั้นเมื่อในชีวิตประจำวันเวลาใช้ชีวิตไปเราเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาแสดงว่าองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาใช่หมห้าตัวเนี่ยเื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความพอใจไปยึดติดความพอใจเกิดความไม่พอใจไปไม่ไม่ชอบ นะเกิดลำเรังเกียดอะไรเช่นอย่างหนึ่งแสดงว่ามีการใช้อุปรกรณ์ตัวอะไรตัวหนึ่งผิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมาปรับที่อุปรกรณ์ไม่ใช่ไปไปวิ่งไปตามสูตตามทุกที่มันเกิดขึ้นสู่ร ท, ทุกที่เกิดขึ้นมันเหมือนไฟที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยเราจะเปิดปิดมันตอนไหนนะเราจะใช้มันตอนไหนก็อยู่ที่คนใช้ใช้ประโยชน์มันได้มากน้อยแค่ไหนนะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ มันก็เกิดปัญญาในการที่จะไปเห็นเห็นความสำคัญของความเพียรเราเพียรไปเพื่ออะไรเหมือนเราหาเงินเนี่ยเราเห็นความสำคัญของเงินได้เกินเพราะเรารู้ประโยชน์และอา น, นิสงส์ของมันเพราะนั้นเราไม่เคยเบื่อในการที่หาเงินใช่ไหมลงทุนเท่าไหร่ก็เอาเห <laughs> มือนกันถ้าหากว่าเราเข้าใจองค์ประกอบอันนี้แล้วถามว่า ปัญญากับทรัพบเนี่ยนะเขาก็เคยตั ว, วทีเลยนะปัญญาอ่ากับทรัพย์อันไหนดีกว่านั่นนะถ้าเรามาโทรทีนี่คงไม่จําเป็นแล้วนะบางคนก็ยองรับว่าทซั์เออปัญญาก็ดีกว่าซับเพราะอะไรเพราะตัวที่หารัพยบได้คือตัวปัญญาแต่คนมีคนมีทรัพย์แต่ขาดปัญญารัพย์มันก็อยู่ไม่ได้หมดไปใช่ไหมแต่พอมีปัญญาไม่ต้องมีทรัพย์อย่างพระเนี่ยไม่ต้องไปหาซัพย์เลยใช่ไหม หาแต่ปัญญาแต่รับมันก็มาเองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็แสวงับปัญญาก็พอบนเขาบนพระาธาตุหลวปู่หลวงพ่อไปสร้างบนเขาสูงขนาดไหนนี่รัฐบาลไปสร้างเองไม่ได้นะไม่มีปัญญาแต่พระที่ไม่มีทรัพย์แต่ไปสร้างได้เพราะมีปัญญาใช่ไหมหลวงปู่ล่าเนี่ยท่านสร้างเจดีองนี้เป็นองค์ที่ยีสิบสามที่ท่านสร้างมาทุกภาคเหนือนี่นะเพราะฉะนั้นีองค์ที่ยี่บสามท่านสร้างยี่สิบสามแห่งเจดีตามยอดเขาต่างๆ อันนี้ก็สร้างด้วยมือของท่านเหือนเนี่ยเห็นนะเสายังเป็นท่อนปท่อนท่าก็จับเอาท่อแต่ลราท่อมาต่อกันนะท่ออะซิเ็นท่อน้ําเนี่ยจับมาต่อต่อกันเป็นท่อนเสาอ่ะอโดยไม่ต้องเอามาหลอกก็ทาสีเข้าไปหน่อยก็มันไม่เห็นนะหินศิลาแรงนี่ก็ต้องมาต่อยเองนึกวันด้วยนะอันนี้ก็ไอ้ข้าวนังนั้นก็จับท่อมาตั้งตั้งตั้งเทปูนทับก็เป็นผนังภายในตัวเลยนะไม่ต้องไปใส่เหล็กใส่อะไรยากเพราะฉะนั้นก็ เมื่อมีปัญญาแล้วมันก็คิดหาวิธีการได้เยอะๆเพราะนักจังปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วมันก็จะเห็นปัญหาเมื่อเห็นปัญหาก็แก้ปัญหาเป็นชีวิตก็หมดปัญหาเมื่อชีวิตหมดปัญหาก็หมดทุกข์ทั้งเองใช่ไหมนะเพราหมดทุกข์นักการปฏิบัติใดๆที่ไม่ทําให้เกิดปัญญาก็อย่าเสียเวลาปฏิบัติแต่ว่าบางทีวิธีปฏิบัติทําให้เกิดปัญญาแต่เรายังไม่ถึงเวลา เกิดเท่านั้นเองนะต้นไม้ตัวนี้มัม่วงตัวนี้ต้องปลูกแล้วต้องเป็นผลแน่นอนแต่ถ้ารักษาไม่ดีมันก็ไม่เป็นเหมือนกันนะเอ๊ะปลูกตั้งนานไม่เห็นออกดอกออ ก, ออกลูกเสี้ยวทีหนึ่งนะเพราะเราดูไม่แลไม่เป็นอ่าเหมือนกันวิธีการทุกวิธีการ่ทําให้เกิดปัญญาได้ทั้งนั้นนะแต่าาเราใช้เป็นนะก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรานั่งปฏิบัติเป็น้นานเนะี่ยนั่งไปคนที่ มีปัญญาคุณกับคนไม่อยู่ปัญญาก็แตกต่างกันคนที่มีปัญญาก็ทําไปศึกษาไปดูไปศึกษาไปว่าอะไรเกิดขึ้นคนไี่มีปัญญาเขาเขเห็นเขายกก็ยกไปยกไปสักพักก็เมื่อยก็เบื่อก็เสงก็ทุศียกไปงั้นน่ะฝืนฝืนแก่นแก่นไปหมดหมดเวลาไปวันวันแต่ไอคนที่มีปัญญาก็ศึกษาเออนั่งนานมันเมื่อยยินทำบ้างขณะที่ยืนก็ดูว่า ยืนต่างจากนั่งยังไงเอ้ยยืนเมื่อกี้มันหนักก้นไปยืนพอยืนแล้วมันหนักขาพอหนักขาก็ทําทไปเห็นขาหนักเอาก็เดินเปลี่ยนเอวน้ําหนักออกก็ไม่ต้องเดินมากนะเจ้าหน้าถอยหลังแค่สองสามก้าวมัก็เปลี่ยนได้ละบางคนปฏิบัติโนไปวิ่งไปรอบคนนะตัวคนอยู่ที่เดียวเป็นชั่วโมงไม่ไปไหนเลยนะฮะ ก็ทําอยู่ตรงนั้นแตะโมนคนย้ายตรงนี้แล้วก็ย้ายตรงนั้นยาน้นยายย้ายไปเรื่อยๆมันก็ต่างกันดลเนี่ยตะโมนคนไปปึ๊บเอาตรงนั้นกับตรงนั้นเพราะจับหลักสมาธิได้เพราะยิ่งมีสมาธิก็ยิ่งมีความสงบและมีความสุขไม่กระยับไม่อยากจะไปไหนแต่คนหนึ่งหาสมาธิหาสมาธิไม่เป็นก็เออตรงนั้น น, าน่าจะดีเออตรงนี้น่าจะดีไปเรื่อยไปแล้วก็เลยไม่มีสมาธิในที่สุดอันนี้เพราะยังไม่เกิดปัญญาเพราะนั้น ในวิธีการที่มาทําก็คือให้ดูทุกส่วนโดยโดยละเอียดนะในการเคลื่อนการไหว ม, มันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันว่านั่งแบบนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เดินแบบนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้หายใจลึกขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วหายใจยาวขณะนี้เ ก, นเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้เลี้ยวซ้ายไหลขวาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ก็ เ, เลยว่าโอ้ที่พุทธเจ้าเรียกว่าอมตะอมตะธรรมเป็นอย่างนี้เองที่ทํารู้แล้วไม่ทุกข์อะอมตะไม่ได้แปลว่าไม่ตายนะแต่ว่าไม่ทุกข์อ่ารู้แล้วไม่ทุกข์ถ้ารู้เรื่องทุกข์อยู่แสดงว่ายังไม่เจออมตะธรรมอ่ะอมตะแปลว่าไม่ทุกข์อ่ามีมันไม่ตายจากความทุกข์เองนะดังนั้นเวลาเราปฏิบัติเราก็ต้องหาหาใกล้ๆตัวเรา ทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยเกือประโยชน์หมดเลยนั่งไปเบือ่อแล้วก็ดูความเบื่อต่อนีอ้อาการย์เป็นไงความเบื่อนี่ลําดับนั่งไปสักพักคิดปุ่มแต่งเอ๊ะมันมาได้ไงเมื่อกี้ไม่คิดน ะ, สะแสดงว่ามันมามีที่มาแล้วเนี่ยไห น, น, นเราตั้งใหม่ลองไปคิดดูทีอ้าวท้ายความคิดมันมาทีนี้มาฉันจะดูไม่อกี้เคยคิดฉันไม่ได้ทั้งใจดูทีนี้ฉันจะตั้งใจดู ตั้งใจดูไปเนานมันก็ยังไม่มามันมาตอนไหนต้องคิดมาตอนเผลอตอนที่เราไม่เผลอมันไม่มานอะอที่สุดของความรู้มันก็เป็นความเผลอที่สุดของความเผลอก็เป็นความรู้ก็สลับกันไปที่สุดของความสบายก็เป็นความไม่สบายที่สุดของความไม่สบายก็เป็นความสบายที่สุดของการเปิดก็คือการดับที่สุดของการดับก็คือการแค่นั้นเองอ๋อวันทั้งวันมันก็เลยไม่มีทุกข์เลย พรามันเห็นตลอดแต่ถ้าเราเผลอเมื่ไรทุกไปไงมาทันทีดังนั้นที่เราปฏิบัตินี่เพื่อที่จะเห็นตัวเผลอตัวเพลินให้เป็นก่อนเออเวลาเราโดยโดยสัญชาตญาณคนมันชอบสบายใช่ไหมพอสบายแล้วก็ไปติดใจเพราะติดใจก็เพลินเพรเพลินแล้วก็เผลอเพราเผลอก็ทุกทุกกลับมาเพลินกลัมาหาความสบายใหม่พอเสพความสบายสักพักเนื่องจากปัญญายังไม่คงที่เนาะแล้วก็เผลออีก เผลแล้วก็เพลินสลัข้าไปอย่างเงี้ยเพื่นก็ทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าปัญญาและสมาธิเราคงที่พอสมาธิปัญญาคงที่ปั๊บเนี่ยมันไม่ปล่อยให้เผลอและไม่ปล่อยให้เพลินนะเห็นเหตุของการเผลอเห็นเหตุของการเพลิเ น, เ, นเพลินะลมาจากเหตุอะไรก็เฝ้าดูเหตุของมันเราแก้เหตุซะแต่ออกมาเป็นเพลินนี่เป็นผลละก็ะเห็นความเพลินคืออะไรก็คือความปติดแจ่มในความสบายเพราะนั้นอย่าให้ถึงกับความสบายเอาพอทนได้ นะั่สบายเดี๋ยวอ่นเพินอ่าพอเพลิ น, ออลนมันก็ออกมาเผลอรู้ว่าเผลอเนี่ยเป็นผลที่เราเพลินดูไปดูมาอ๋อเลยเลยตามหาว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ดูไปดูมาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าตายเป็นเหตุของทุกทางใจหรือใจเป็นเหตุของทุกทางกายใครเป็นเหตุของใครหน้า เอ๊ทำไมมันทุกข์ไม่จบเพราะมันหมดแล้วมันยังมาอีกแสดงว่ามันมันตัวอะไรตัวหนึ่งจะเป็นตัวเหตุแน่นอนระหว่างกายกับใจใครเป็นเหตุของใครแล้วก็เริ่มตั้งโจทย์หาละใช่ไหมว่ากายเป็นเหตุให้ทุกข์ทางให้เกิดทุกข์ทางแก่ใจหรือใจเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางกายเคยดูกันบ้างไหมมันเปิลเจอเรียงว่าใครเป็นเหตุของใคร ไม่อยู่ที่น่หนูเพราะไม่ได้ยินตรงนี้เรากำลังมาธรรมวิจัยกันนะถ้าผ่านธรรมวิจัยชุดนี้หมายความว่าเราก็เออไม่ขาดทุนละเอาไปใช้เป็นพ่อกำลังตั้งโจทย์ว่าระหว่างกายกับใจหรือรูปกับนามเนี่ยรูปเป็นเหตุให้เกิดนาม ลูกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่นามหรือนามเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่ลูกหรือเรียกว่ากลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่จิตหรือจิตเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่กายค่ะอันนี้ที่สังเกตดูมันจะเป็นสาเหตุให้กันและกันได้ค่ะคือมันจะบางทีก็ใจเป็นสาเหตุให้กายทุกข์บางทีก็กายเป็นสาเหตุให้ใจทุกข์แต่เอถ้าเราถ้าเราดูดีๆแล้วอะค่ะ ทุกอย่างมันก็เกิดแต่ว่าถ้าเรารู้ทันทุกทางใจก็ไม่เกิดอย่างเช่นเราปวดท้องไปเข้าห้องน้ำเองค่ะไปเข้าซ่วมอันนี้ก็กลายเป็นเหตุให้เกิดทุกทางใจแต่ใจเนี่ยจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ขึ้นอยู่กับคนนั้นจะรู้หรือไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็ไม่ทุกข์กับมันเราก็พากกายไปเข้าห้องน้าก็โดยที่ไม่ต้องทุกข์ราะ ดังนั้นหลวงพ่อตั้งโจทย์อีกข้อหนึ่งว่าระหว่างกายกับใจตัวไหนทุกตลอดเวลาตัวไหนทุกเป็นบางครังวางคราวตัวที่ทุกตลอดเวลาเนี่ยกายทุกตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นไตลักของเขาอยู่แล้วที่เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาอยู่ในภาพทุกขลักษณะนะคะแต่ใจเนี่ยมันจะมีช่วงทุกกับช่วงไม่ทุกที่อย่างที่หลวงพ่อบอกว่ามันจะมีช่วงที่เออเหมือน เหมืนช่วงที่เฉยๆหรืออาทุกข์ทสุขเนี่ยมันจะนานกว่าช่วงที่สุขกับทุกข์อืมเพราะฉะนั้นอตัวใจเนี่ยค่ะมันมันมันจะมีสุขและมีทุกข์เป็นครั้งคราวแล้วก็มีช่วงที่มันเป็นช่องว่างที่มันไม่สุขไม่ทุกข์ตรงเฉยๆเนี่ยตรงนี้แหละถ้าเรามีปัญญาประกอบเข้าไปมันเราก็สามารถที่อยู่ตรงนี้ได้โดยที่ใจเราไม่เข้าไปกับทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะหลวงพ่อเคยตั้งข้อสังเกตว่า กายเนี่ยมันไม่สุขก็ทุกข์มันไม่สุกขก็สุขดังนั้นคําว่าอทุกขก็ม่สุขเนี่ยหลวงพ่อว่ามันก็คือสุขทุกข์ที่ยังไม่ปรากฏชัดแต่ควจริงมันสุขทุกข์แล้วไอ้ความไม่ปรากฏชัดเราลืมใส่ใจไอ้การลืมใส่ใจตรงนั้นเรียกว่าคุญแจทุกข์ก็ไม่สุขแต่พอพอมาเป็นอาการของใจว่าพอใจไม่พอใจและไม่ใส่ใจดังนั้นคำว่าไม่ใส่ใจนี่คือการเกื้อวิชาใช่ไหม เพราะฉะนั้นตัววิชาเกิดจากตัวไม่ใส่ใจตรงนั้นทีนี้ถ้าจะบอกว่ากายทุกตลอดเวลาแต่ใจทุกเป็นบางครั้งแสดงว่าใจรักจึงไม่ใช่สมุทยัย ท, ที่จริงใจอะค่ะเขาเขาเกิดอย่างความคิดอะค่ะเขาเกิดแล้วเขาก็ต้องดับเสมอ ทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับแต่เราจะปล่อยให้เขาดับเองตามธรรมชาติโดยที่ใช้โดยที่เราไม่รู้อะค่ะไม่รู้เข้าไปมันก็จะดับของเขาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเผื่อเราเรามีความรู้เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นพอเราเห็นปุ๊บตรงนั้นมันก็จะดับเร็วขึ้ น, นยอย่างจังยมยุสุภาพต ร, รักษณ์เนี่ยเป็นทุกเป็นสมุทัยของทุกหรือว่าเป็นลักษณะของทุกแตรลักแณ์ตรลักรู้อยู่ใช่ไหม ว่าเป็นสมุทัยของทุกหรือว่าเป็นอหรือเป็นทุกขโดยตรงอันนี้ยังทุก ข, ขังอนัตตาเนี่ยเป็นสมุทัยของทุกหรือว่าเป็นทุกโดยตรงเป็นเหตุให้เกิดทุกหรืหเ อ, อเป็นทุกโดยตรงเป็นสมุทัยค่ะฮะเป็นสมุทัยค่ะเอไม่รู้เข้าใจคําถามด้วยเ่า ตัวไตรละกณเกิดนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นตัวของทุกโดยตรงหรือเป็นเหตุให้เกิดทุกเป็นตัวของทุกโดยตรงแต่ถ้าจะเป็นเหตุของเกิดทุกนี่ก็คือว่าใจเราไปยึดไว้แล้วมันก็เป็นเหตุของทุก <quelques> น, นแสดงว่าไตรลักนี่เป็นเรื่องของรูปเป็นอของกายโดยเฉพาะเลยไม่ไมหลีกไวี่ยงเข้ากับใจค่ะถ้าเราถ้าเราเข้าไปยึดเพราะฉะนั้นไตรลักษณงไม่เป็นสมุทยัยค<ข>่ะเป็นตัวของทุกโดยตรงนะค่ะอ่า ทังนั้นตัวสมุทัยคืออะไรอ่ะตัวสมุทัยคืออยากจะให้ความสุขที่มีอยู่มันคงที่และไม่อยากให้ความทุกข์เกิดขึ้นและอยากจะให้สุขทุกจะให้สุขอย่างเดียวไม่ให้มีทุกข์เลยนี่เป็นตัวสมุทัยคือความอยาก <c oughs> แต่กลัวทุกข์เองนั่นเป็นธรรมชาติที่เกิดอยู่แล้ว นั้นได้ค่อยสรุปไม่ว่ากลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางจิตหรือจิตเป็นก่อให้เกิดทุกข์ทางใจากายอ่าเราจะได้คําติมที่แท้จริงต้องมาวิเคราะห์ตัวนั้นก่อนว่ากายทุกแต่เวลาเพราะมันเป็นทุกโดยทุกเองแต่ใจมันเป็นสมูทเป็นที่เกิดสมุทัยเพราะฉะนั้นเป็นทุกเป็นบางครั้งเมื่อมีสมูทัยจึงเกิดเป็นทุกเมื่อไม่มีสมูทัยใจก็ไม่ทุกใช่ค่ะนั้นเราจะทันว่าตัวสมูทัยคือความอยาก ที่อยากให้ความสบายคงที่เมื่ออยากจะให้ความสบายเกิดขึ้น <Okay. S 1> ใช่ไหมใช่ น, นั้นคือเป็นเหตุล้วเพราะมีความอยากนั้นนั้นใครเป็นเหตุของใครเออ <Please. S 1> ชักแคลมามาแล้วชนะักแคลมมาแล้วว่าใครไป็นเหตุของใครกันแน่ได้เป็นเหตุที่แท้จริง เพราะมันเป็นทุกข์ตลอดเวลาใช่ใชไมหมเพราะใจมันเป็นบางครั้งเท่านั้นเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เท่านี้มันจะเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้เสีใจก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมดังนั้น<บ>เราไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันวันวัมันคิดนักคิดหนาะมันมาจากไหนรู้แล้วใช่ไหมมาจากไหนมาจากกายที่ได้รับสัมผัสแล้วใจไม่รับรู้มันจึงได้สั่งสมความคิดอีกใกล้สํำนึกกันไว้ใช่ไหม ทุกครั้งที่มีการกระทบเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ จ, จิตได้เสนอเรืมันบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเมื่อไรเราเหอไอ้ความคิดกออกมาได้เรื่อยๆเพราะมันได้เก็บสต็อกไว้เรียบร้อยแล้วตลอดตั้งแต่เราเกิดเพราะนั้นเราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมมันมคิดได้คิดดีไม่จบสักทีใช่ไหมเพราะมันเก็บมาตั้งแต่เราเกิดเพราะนั้นเวลาเครื่องบินตกทีเขาไม่ต้องรีบหาในส่วนอื่นนะเขาเรีบหาอะไรดำเรีบหากล่องดําเพราะนั้นสัตวอนเสิร์ของเราคือกล่องดําของชีวิตที่มันบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่าง แต่ใครสามารถพลิกไอตัว s u b c o n s c i o u คือจิตใต้สำนึกได้ให้เป็นจิตรู้สำนึกคนนั้นก็ทำลายอาสวะได้เพราะตัวกล่องดำของชีวิตคือตัวอาสวะคือเก็บความลับทั้งหมดของชีวิตไว้ตรงนั้นคือเลือจิตใต้สำนึกเพราะนั้นเวลาเราได้สติแล้วเนี่ยเราจะรู้เท่าทานาันการกระทบแล้วจิตไม่มีโอกาสที่จะบนับนทึกลงในจิตใต้สานึกอีกเพราะนั้น วิบากเก่าคือเราได้สั่งสมมาตลอดชีวิตแต่วิบากใหม่หลังจากที่เราเข้าใจกฎนี้แล้วมันก็จะไม่สร้างวิบากใหม่เพราะจิตเราไม่สั่งสมอีกเพราะเพราะเรารู้ทันเมื่อกระทบแล้วรู้ทันทุกครั้งจิตมันก็ไม่เก็บแล้วใช่ไหมมันก็เปิดออกมาอ่าทันไหมทันนะเพราะฉะนั้นเองเข้าใจรูปนามเพื่ออะไรเพื่อรู้เท่าทันกระทบระหว่างตัวกายกับตัวใจก่อน ไปรู้นามรูปรู้เท่าทันตัวกระทบใจต่อใจรู้รูปนามรู้การกระทบตาหูจมูกลิ้นกายทันแต่ยังไม่รู้ใจที่กระทบทันแต่ไปรู้นามรูปคือเรารู้สัมปชัญญะและมีปัญญาเกิดขึ้นก็ไปรู้นามรูปสิ่งที่บางครั้งรูปที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่จําเป็นต้องเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไปเกิดที่จิตโดยตรงก็มีแต่กระทบเราเนื้อละเอียดอ่อนเป็นกระทบของนามว่ารูปเราจึงไม่รู้เท่าทันจนกว่าจะเกิดปัญญา ปัญหาอ๋อตอนนี้มันเกิดการกระทบเพราะนั้นในอารมณ์ที่สองเนี่ยอารมณ์ที่ไปดูนํารูปจึงเป็นอารมณ์ที่ดูใจโดยเฉพาะเนะี่ยแต่อารมณ์ที่หนึ่งเนี่ยคือดูกายให้มากเข้าไว้อารมณ์ที่สองดูใจให้มากเข้าไว้แต่ไม่ใช่ว่าทิ้งดูกายเลยนะทิ้งกันแต่ว่าดูใจให้มากเพราะเราไปดูการกระทบทางใจพบางทีไม่มีเหตุที่กระทบทางตาหูจมูก ล, ลิ้นกายแต่ใจมันก็สร้างเรื่องขึ้นมาเองนะอันนี้คือเราก็จะต้อง ตามดูรู้ทันไปเรื่อยๆตกลงว่าในส่วนเนี้ยคือลูกกับนามต้องเข้าใจได้ระดับนี้นะแล้วก็นามกับลูกก็เข้าใจแบบนี้ทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งตัวรู้ว่ารูปนามที่เราไม่รู้เท่าทันเนี่ยก็ให้เกิดนามมาลูกคือตัวชอบใจไม่ชอบใจและไม่ใส่ใจไป น, นามมาลูกใช่ไหม ทีนี้ตัวนามารูปเนี่ยก่อให้เกิดตัวความคิดได้อย่างไรเช่นความรู้สึกยินดีเราคิดไปทางความยินดีเนี่ยคิดในทางประย เ, เช่นเราชอบเสียงดนตรีเนี่ยนะเราก็คิดถึงนักร้องคิดถึงดนตรีประเภทนั้นประเภทนี้หรือเราชอบยินดีในดอกไม้เราก็นึกถึงดอกไม้แต่ะกูลต่างๆเรายินดีในกลิ่นที่หอมเราก็นึกถึงตระกูลของน้ําหอมต่างๆ เรายินดีในรสเราก็นิดถึงชี้นส่ของอาหารต่างๆเรายินดีในสัมผัสเราก็นึกถึงความสัมผัสที่นุ่มนวลแล้วก็สัมผัสที่ดีเรายินดีในอารมณ์เราก็อยากจะให้ใครมาพูดที่ในทางที่ดีกับเราเสมอใช่ไหมทีนี้ไอ้ตัวยินดีตัวนี้เองไปก่อให้เกิดความคิดต่างๆยินดีในที่นี้นใช้คำว่าโสมนัสสะเวทนาทีนะนี้ตัว รูปก่อให้เกิดเวทนาทั้งสามด้วยการที่เราไม่รู้เท่าทันรูปใช่ไหมจึงก่อให้เกิดเวทนาทั้งสามนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเวทนาทั้งสามจึงก่อให้เกิดความคิดสามประการหนึ่งความคิดที่ดีสองความคิดที่ไม่ดีสามความคิดที่ยังไม่แน่ว่าดีหรือไม่ดีอ่าระหว่างสามความคิดเนี่ยวันหนึ่งมีอันเป็นความคิดอันไหนมากที่สุดระหว่างหนึ่งความคิดในเรื่องดีสองความคิดในเรื่องไม่ดีสามความคิดที่ยังไม่แน่ว่าดีหรือไม่ดี เรื่องไหนมากที่สุดในชีวิตประจำวันได้จนบอกว่าเป็นกลางก็ได้ความคิดกลางกลางหนึ่งความคิดเรื่องดีสองความคิดเรื่องไม่ดีสามความคิดเรื่องกลางกลางคือไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ดีสามเรื่องเนี้ยเรื่องไหนเราคิดมากเรื่องไหนอยู่ในใจของเรามากที่สุดบางคนมองโลกเป็นคนมีเมตตาสูงก็มองแต่แง่ดีใช่ไหมคิดแต่เรื่องดีๆบางคนเป็นคนมองโลกในแง่ร้า ย, ายไปเจออะไรจะคิดแต่เรื่องเล่ย บางคนอะไรก็ได้แล้วแต่เหตุกานณ์ขาเป็นใครบรจุให้ทางดีก็คิดดีกับเขาใครประจุงในทางร้ายก็คิดร้ายกับเขาคนนี้ก็เรียกเป็นโมหะยังไม่แน่นะแต่ว่าคิดของเราเนี่ยระหว่างหนึ่งคิดสองไม่คิดสามคิดบ้างไม่คิดบ้างอันไหนมากที่สุดสามอย่างเนี่ยในชีวิตประจำวันหนึ่งคิด สองไม่คิดสามคิดบ้างไม่คิดบ้างสามอย่างเนี่ยคิดของเราอยู่ในสภาวะไหนมากที่สุดอยู่อันที่หนึ่งหรือที่สองที่สามคิดหมายความว่าตั้งใจคิดไม่คิดคือไม่ตั้งใจไม่คิดอันที่สามตั้งใจไม่ตั้งใจก็คิดอยู่ในอันไหน เนี่ยเวลาปฏิบัติเอะไว้เราไม่ค่อยสำรเรื่องเหล่านี้แล้วก็ว่างมันไปจำระหว่างคิดคือตั้งใจคิดเนี่ยนะวันหนึ่งกับเรื่องที่เราไม่ตั้งใจหรืจะคิดเลยในวันหนึ่งตั้งใจเฉยๆเนี่ยและอันอันหนึ่งไม่ได้ตั้งใจคิดโดยไม่ตั้งใจจิตอยู่ในสังสารสภาวะเนี่ยอันไหนมากที่สุดถ้าเราแบ่งคิตเป็นสามส่วนร้อยหนึ่งเนี่ยตั้งใจคิดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ตั้งใจคิดกี่เปอร์เซ็นต์ คิดโดยไม่ตั้งใจเนะี่ยกี่เปอร์เซนต์ฮะคิดโดยไม่ตั้งใจนั้นแสดงว่าไอาการตั้งใจคิดมันก็มีไม่กี่เรื่องวันหนึ่งใช่ไหมไม่ตั้งใจคิดตั้งใจที่ยังไม่คิดอะมีน้อยที่สุดแต่ตั้งใจไม่ตั้งใจฉันก็คิด <laughs> มีเยอะมากนะเพราะนั้นตรงนี้เองท่านเรียกว่าโมหะเป็นต้นเหตุให้เกิดความพอใจและไม่พอใจ อ่าคือความที่คิดแบบไม่ตั้งใจนะเพราะเป็นอย่างนี้เวลาเราปฏิบัติไปเราก็มีจุดสังเกตแล้วดูว่าใช้ตั้งใจไม่คิดถึงไปได้ไหมนานไหมไม่นาน <laughs> สักครั้งก็มาแล้วใช่ไหมแล้วตั้งใจไหมไม่ตั้งใจแต่มันก็มาเพราะอะไรถามว่าเพราะอะไรเ <laughs> พราะว่า กำลังของสติเราคงที่หรือยังยังไม่คงที่มันถึงได้สอดขึ้นมาได้นะปิดตรงนี้มันเกิดตรงนั้นปิดตรงนั้นมันเกิดที่แต่ถ้ามันปิดทุกพื้นที่เลยมันเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดอ่ะมันครอบคุมเท่ากี่เปอร์เซ็นต์น่ยสมมติในในร้อยสติเราครอบคุ ม, ด ม, มนนคได้เท่าไหร่อย่างน้อยยีบปนะแบ่งเป็นแบ่งเป็นสักสาส่วนย 5% เซน สี่ส่วนก็แล้วกันห้าส1 0เปอร์ซนเจ็ดสิห้าเปอร์เซ็น้อยปเ็ความคิดของผู้ระดับอารมณ์รูปนามก็ควบคุมได้แค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นู้เท่าทันแค่ยี่ห้าปเซ็นความคิดของคนที่ได้รู้นามรูปก็ได้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นคงพิทวนได้รู้ประมัดได้อีกห้าได้อีกยี่้าเปอร์็นไป็ดสิบห้าปอร์เซ็นคนรู้ที่เป็นรู้การเกิดดับไปร้อยอร์เซนารู้เกิดดับของสิ่งทั้งปวงเหมือนก็ ไ ฟ, ฟแรบตุ๊บนี่มันเห็นหมดเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองเห็นภาพทั้งหมดเห็นแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะแล้วก็จบแต่มันก็จําไปตลอดชีวิตเลยดังนั้ น, นว่าภาพข้างหน้านคืออะไรนะแต่ตอนหน้านั้นมันก็คลาไปเรื่อยๆคลาไปถึงไหนก็รู้แค่นั้นแต่ยังไม่เห็นภาพทั้งหมดวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดการเกิดดาวว่บขึ้นมาหมายถึงผม้เมื่อก่อนฟ้าทั้งฟ้าเนี่ยไม่เห็นทั่วเลยนะแต่วันนั้นฟ้าแรบเห็นหมดเลยนะอะไรเป็นที่ไหนสว่างผิดปกติ ในเห็นการเกิดดับดังนั้นเองก็เรารู้อย่างนี้ล้วก็เอาว่าเรารู้สึกตัวกี่เปอร์เซ็นต์ก็รู้ไปเรื่อยๆตามกําลังให้รู้ไปเรื่อยๆนะแล้วพอค่อยเพิ่มขึ้นเองไม่ต้องไม่ต้องไปอยากรู้มากแต่ขอให้รู้เรื่อยๆรู้นิดน้อยแต่รู้เรื่อยๆที่จำนวนหนุ่มสาวเข้าไปรักนน้อยแต่รักนานๆไอ้ตรงนั้นรู้นน้อยแต่รู้นานๆเดี๋ยวว่ารู้ไปเรื่อยๆ อันนี้ก็เหมือนกันรู้เยอะๆแต่ว่าพอถึงขี้เขียนมาไม่เอาเลยทิ้งเลยนะก็ไม่เอาดำคัญนะยุ่งยากนะแต่รู้ไปเรื่อย ย, ยืนก็รู้นั่งก็รู้เพื่อนก็รู้ไหวก็รู้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะความรู้ก็ค่อยซึมลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นการเติบโตของรากสติสมญาเนี่ยมันไม่เหมือนกับปรากฏการทาง ทางไฟฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นปรากฏการณ์เหมือนธรรมชาติของรากต้นไม้รากต้ญยาที่มันค่อยย่างไปทีละนิดเดีนี้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยต้นไม้ที่มันสูงเนี่ยเพราะมันถูกกระทบมากเพรายิ่งกระทบมากมันก็โดยสัรชาติยานนมันต้องสร้างความมั่นคงของมันใช่ไหมรากมันยิ่งลึกลึกลึกพราะยิ่งรากอย่างลึกขนาดตัวมันก็สูงขึ้นเพราะยิ่งการกระทบมันยิ่งต่อสู้ ใช่ไหมจิตของเราเมื่อเมื่อมันเป็นจิตที่ต่อสู้แล้วเนี่ยยิ่งทุกข์ก็ยิ่งกระทบมากก็ยิ่งเติบโตจิตของเราก็ยิ่งสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติวิธีการคนหนึ่งยิ่งยิ่งปฏิบัติยิ่งเจอปัญหาก็ยิ่งสู้ปัญหายิ่สู้ปัญหาปัญญาก็ยิ่งเติบโตรากของเสถียรย่อกลึกเพราะฉะนั้นใครปฏิบัติไปด้วยทํางานไปด้วยแก้ปัญหาไปด้วยนี่อันนี้จะมั่นคงไวเหมือนต้นไม้มันสู้แดดสู้ฝนสู้ลมนะ วันนี้สูงแต่ต้นไม้พืชลงมลุกนี่พืชฤดูเดียวนี่มันไม่สู้แดดสู้ลมทู้ฝนนะเจออะไรมากๆก็ตายไปปีหนึ่งถึงฤ ด, ด, ดูการก็ปลูกใหม่เนี่ยพวกข้าวพวกก้าวพวกข้าวโพดพวกผักผลไม้ทั้งหลายเนี่ยเป็นพืชฤดูเดียวเนี่ยมันก็จะสู้อะไรไม่ได้นานเพราะฉะนั้นเราต้งถามตัวเองว่าเราต้องการที่จะเป็นมนุษย์ษยืนต้นหรือมนุษย์ลงลุกถ้า <laughs> เป็นมนุษย์ยืนต้นหมายความว่าปฏิบัติไปสู้ไปปฏิบัติไปสู้ไปไม่ทิ้ง ยิ่งปัญหามาเท่าไหร่ยิ่งปฏิบัติเออนี้เราเป็นมนุษย์ยินต้นอถ้ามนุษย์ล้มลุกก็รีบรีบรบ่ปฏิบัติเต็มที่เลยเนะียเอาไปใช้เต็มที่หมดแล้วก็หมดเลยไม่อยากอีกอา้าถึงเวลาอยากปฏิบัติแลมาปฏิบัติให้เต็มที่เอาไปใช้หมดแล้วค่อยมาปฏิบัติใหม่นี่นี่ <laughs> นเขาเรียกว่ามนุษย์ลมลุก <laughs> หาทีเนี่ไปใช้ทีแล้วก็หมดแล้วมาหาใหม่อยู่งั้นเราจะเป็นประเภทไหนไม่รู้นะ <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็ ต้องดูตัวเองออกกันว่าเราประเภทพันพันดินโตหรือพันลงรู้กันแน่นะเราก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนั้นนะแต่ถ้าพันุ์ดินโต้นนีแบบประเภทเกาะติดกันนะไม่ปล่อยมันทุกข์มันยากมันยังไงก็ปฏิบัติอยู่งั้นแหะในที่สุดมันก็รอดนะแล้วก็ยั่งยืนนะเพราะในขณะที่มันสู้ปัญหามาถึงมันต้องได้อย่างลากทามสติสัชัญญะไปเรื่อยยิ่งไม่ประมายิ่งปฏิบัติมากก็ยิ่งเจอปัญหามากยิ่งทํางานได้มาก คนจริงปัญหาคือพลังงานหนึ่งนะเป็นพลังงานหนึ่งแดดฝนเนี่เป็นพลังงานหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราใช้มันได้เป็นก็ถือว่าเป็นปัญหาเราใช้มันเป็นมันก็เป็นปัญญานะมันจะเป็นตัวที่ดีนั่นจากช่วงนี้ไปเราก็จะปฏิบัติกันอีกรอบหนึ่งเนาะรอบละครึ่งชั่วโมงนะนั่งครึ่งชั่วโมงก็เดินครึ่งชั่วโมงตอนนี้เราลุกขึ้นเดินป้องกัน ต้องการไปถึงเป้าหมายคืออะไรเนี่ยในช่วงที่กําลังไปเนี่ยเราสบายหรือไม่สบายเรียกว่าสปายะในขณะไปเนี่ยกายกับใจเราสัมพันธ์กันดีไหมวิชาลัเข้าชาลับออกแล้วหลังจากที่ไปถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยสํารวจ ด, ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยเราสํารวจ ด, ดูเส้นทางหรือสารวจ ด, ดูอาการทั้งหมดของกายนะเพราะขางกายนีย่มีปีการเดินทางภายในข้างนอกเป็นเดินทางภายนอก ออกมิติกว้างยาวสั้นข้างในเป็นออกวิถีสบายไม่สบายหรือเป็นกลางแล้วดูมิติข้างในมากกว่าวิติข้างนอกนะถ้าเดินทางไกลจะยังสบายอยู่เป็นเส้นเราเดินทางถูกแต่เดินทางไกลยิ่งเดินยิ่งนานยิ่งเกรงยิ่งเครียดยิ่งไม่สบายแสดงว่าเราใส่ใจไม่ถูกละมันก็่อเป็นผลของความทุกข์ขึ้นมาไม่สบายใช่ไหม เพราะนั้นในในวิธีการปฏิบัติแบบสตรประฐานสี่เนี่ยซึ่งเป็นไปเพื่อความไม่ไม่ทุกข์จริงๆนะไม่ใช่คำว่าอทุกขโทมนัสส า, านังอถังขมยะว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจจะตั้งอยู่ไม่ได้ในวัตถุประสงค์สี่ห้าประการของศตรีประฐานสูตรมีอยู่ข้อหนึ่งว่าทําให้ความไม่สบายกายไม่สบายใจเนตั้งอยู่ไม่ได้ทุกขโทมนัสส า, านังอถังขมยะเนี่ยพราะนั้นโดยที่ทำไปมัน ยิ่งทุกขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของมันแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเวลาทำเนี่ยเราต้องต้องสำรวจถึ ง, ดดงความเป้าหมายนั้นด้วยแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ว่าศาตนามวิสุทธิยาทําไปยิ่งใจรู้สึกผ่องใสผ่องแผ้วสะอาดไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองเนี่ยมีไหมขณะทําไปเป้าหมายที่หนึ่งเลยนะเป้าหมายที่สองบริเทว่าเ ร, ราม่รักษานังส ม, มาธิกระมยยะ ทำให้เร า, า, ข, าข้ามพ้นความวิตกกังวลความขุ่นข้องมองใจได้โดยง่าย ท, ทุกขโทอโศกอะวโศกะเปรเทวะนงังส ม, มญญุทิกามายะทุกขโทรมรณศสานังอาถังขมยะความไม่สบายกายไม่สบายตั้งอยู่ไม่ได้ยายยะสธิกามายะ การยิ่งรู้ยิ่งเห็นจริงในสภาวะที่ปรากฏในขณะนี้เห็นชัดขึ้นอะไรสบายไม่สบายความไม่สบายเกิดขึ้นเพราะอะไรความสบายเกิดขึ้นเพราะอะไรความไม่สบายจะหายไปได้ไงความสบายจะคงทนอยู่ได้ไงเนี่ยความรู้ยิ่งเห็นจริงจะชัดขึ้นแล้วก็นิพพานาสติการธรรมพระนิพพานให้แจ้งทำการดับซึ่งความกระสับกระสย่ยเร่าร้อนความตึงความเครียดความ อนิวรณต่างๆมันมันดับไปเห็นแต่ความปลวกเบาสบายวัตถุประสงค์ก็าห้ามันจะมีพร้อมเดียวกันหมดนะถ้าทํ า, ทนะาทไม่ถูกถ้าทําถูกนะถ้าทําไม่ถูกวัตถุประสงค์ท่ห้างนี้ก็ไม่เกิดท่านได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นเวลาไปจดจร ด, ดทําความเพียรเนี่ยจะต้องรู้สีเหล่านี้นะไม่ใช่เอาตามอยากของเรานะโดยที่ไม่ดูว่าเราเราเราเราู้สึกอย่างไรนะลองสํารวจให้ดีศึกษาไปทํไปาไปศึกษาไป แล้วได้จะได้องค์ความรู้ของความเพียรเนี่ยได้ละเอียดขึ้นเด่นขึ้นเวลาเราไปทําที่ไหนเนี่ยพักหนึ่งเราก็ได้อารมณ์แล้วได้สมาธิแล้วแต่ถ้าเราไม่มีการวิจัยเนี่ยทําทั้งวันได้สมาธิได้อารมณ์นิดเดียวแจะหายไปไวมากเลยใช่ไหมความเพียรก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยๆจะได้ผล น, นิดเดียวเหมือนทํางานทั้งวันได้ฟันห้าเดินไปเดินมาได้ห้าฟันเ่ะต่างกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้น ทำทั้งวันแต่ได้นิดหน่อยไม่คุ้มกันแต่เราทําไปศึกษาไปดูผลไปแล้วก็ประมวลไปไอจุดเก็บรายละเอียดเหล่านี้ยเวลาเราไปทํางานหนึ่งอื่นเนี่ยมันก็จะถ่ายโอนกําลังของการศึกษาเนี่ยไปใส่แล้งานนั้นก็จะมีประสิทธิภาพไม่ว่าเป็นการทํางานอะไรต่างๆด้วยการข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ด้วยการศึกษาอะไรต่างๆชีวิตของเราก็จะผ่อนคลายราบรื่นไม่เร่าร้อนไม่ คือกระหอบและไม่แสบสา ย, สายแล้วก็ฝึกทำไปเนี่ยซึ่งมาว่าสติปัญญาสูตรนี่ถ้าหากว่าเราทาตามสูตรเขงจริงนะมันทางแห่งความบรุมสุขเลยนะแต่เราทำยังไงกันก็ไม่รู้นะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่ายากนะใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายแต่มันอยู่ที่ไหน โบราณเขาไม่หาคําสรุปไม่ได้แล้วแต่ว่าสนามบารมีว่าไงคนที่เคยทํารุนแรงมาก่อนแนละ้วฝึกให้ค่อยเนี่ยยากมากนะแต่ยากมากแต่คนที่ที่ฝึกค่อยมาก่อนทําให้แรงเนี่ยไม่ยากเลยนะเพราะอะสัญชาตญาณของเรามันถูกครอบด้วยความอ่าอยากที่มันบีบมันคั้นเรามาตลอดนะเราถูกใจรักบีบคั้นร่างกายแล้วยังไม่พอยังถูก ตันหาสามบีพันจิตอย่างเงี้ยชีวิตมันก็มีแต่ทุกข์ประทุกนั้นถ้าหากว่าเราจะทํางานตลอดชีวิตด้วยความไม่ทุกข์เล่าคมันจะวิเศษขนาดไหนเนาะเราได้ผลประโยชน์เลื้อเฟื้อกับผู้อื่นด้วยแล้วก็ได้ความสุขให้แก่ตัวเองด้วยแต่ทุกวันนี้เราดูคนด้วยจะหาเพื่อคนอื่นแต่เราทุกข์เจ็บตายใช่ไหมหรือบางทีเราหาความสุขใส่ตัวเพื่อความสุขที่ผิดๆยังถูกใส่ร้ายว่าเห็นแก่ตัวอีกตัหาใช่ไหมเอาแต่ สุขส่วนตัวไม่ดูแลพี่น้องเลยตรงนี้นะซิ้นเราก็ยังไม่ถูกกล่าวหาในข้อหาเหล่านี้นะแต่เราว่าเออดูเขามีความสุขแต่เขาทําอะไรได้เยอะนะนะช่วยเหลือคนอื่นได้มากมายแต่เขาไม่เห็นเขามีความทุกขอะไรตัว เ, เองเนี่ช่วยตัวเองก็ยังไม่ค่อยได้ทำไมทุกข์กันนักกันหนาตรงเนี้ยมันก็จะเห็นความภาพที่แตกต่างระหว่างผู้ฝึกกับผู้ฝึกหรือระหว่างผู้ฝึกที่ใส่ใจอย่างถูกต้องกับผู้ฝึกที่ใส่ใจยังไม่ถูกต้องนะ เพราะเรื่องของเมื่อผลเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างมันมันที่ไม่ต้องการแข่งขันแต่ต้องการความเป็นเป็นธรรมชาติที่ผ่อนคลายเป็นเป็นตัวของตัวเองโดยเฉพาะเลยว่าเมื่เดือดซึ่งจุดนี้มันจะต้องทําด้วยความรักความใส่ใจและทําด้วยความเพียรที่ถูกต้องนะะไม่ใช่ความเพียรที่มันเต็มไปด้วยความอยากแต่มันเพียรที่ถูกต้องคือเพียร ในการเฝ้าดูสิ่งที่เราต้องการคืออะไรความสุขใช่ไหมความสุขที่ไม่มีโทษอ่นะแต่ความสุขส่วนใหญ่ที่เราต้องการคือความสุขที่มีโทษคือหมายความสุขแล้วมันต้องได้เสพแต่สุขแบบไม่เสพเนี่ยก็คือสุขแบบไม่มีโทษคือเม่สัมผัสสุขได้จริงแต่ว่าเราพร้อมที่จะทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้นะทุกมันเป็นความจริงของชีวิตเราพร้อมที่อยู่กับมันอย่างเป็นมิตรแล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์ นะเราตั้างายนี่เราปฏิเสธทุกไม่ได้แต่ไหนๆทั้งการมันทุ ก, ก็ให้มันทุกแบบมีประโยชน์หมายความว่าทุกแบบรู้ทุกแบบไม่ยึดติดหมายความว่าทุกก็หายเหนื่อยก็หายทุกทำนองนั้นนะเพรานั้นเองในจุดนี้ให้ไปหาความพอเหมาะพอดีเอาเองก็แล้วกันเพราะว่าถ้าจะให้มันคงที่และเป็นอัตรมัติโดยเป็นนิสัยเนี่ยมันก็ไม่ยาก ไม่ง่ายแต่ต้งฝึกทุกวันทุกวันไปแล้วพยายามเอากิจกรรมในความเพียรของเราเนี่ยไปใช้กับการงานเราจะกวาดบ้านถูเรือนกวาดขยะซักผ้าทําครัวหรือจัดของอะไรในบ้านในเรียนเราจัดสวนจัดปลูกต้นไม้แล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ลีลาของการทําความเพียรแบบนุ่มนวลสบายผ่อนคลายและมีสติสมัมปชัญญะเนี่ย ได้ในทุกๆงานเลยทีเดียวนะซึ่งปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าสิ่งแวดล้อมและบุคคลแวดล้อมของเราเนี่ยเต็มไรด้วยความเร่าร้อนเต็มไรด้วยความบีบคั้นเราเห็นเขาใช้ชีวิตแบบนั้นเรโกรธสงสารไม่ได้แต่เผลอๆถ้าว่าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ดีๆแล้วก็ถูกกระแสเขาดูดเราไปเราก็ปพล่อยไปไปเร่าร้อนไปร่วมกับปัญหาเขาด้วยใช่ไหมอืม โดยจ้งตัวไม่ทันเลยใช่ไหมกลไปบ้านเกิดอุบัติเหตุคนนั้นคนนี้พี่น้องคนใดคนหนึ่งนะแล้วก็คอยเอผยสติอินกนเขาไปเลยใช่ไหมเราก็เป็นเป็นผู้แสดงอีกคนหนึ่งในเหตุการณ์นั้นแทนที่เราจะเป็นผู้เยียวยาเป็นผู้แก้ไขเป็นผู้ที่จัดการให้มีไปตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเราก็เลยหลุดกับเข้าไปด้วยเ น, นหลักนี้เอาไปฝึกกันให้เข้มแข็งเพื<ม>่อว่ามันจะได้ติดเป็น นิสัยใหม่หรือเป็นชีวิตใหม่เป็นบุคลิกใหม่ที่เราอยู่ด้วยความผ่อนกลายไม่ทุกข์แล้วก็ถ้าเราไม่ฝึกนะความวิตกกังวลเนี่ยจะทำให้เราเจ็บป่วยเดี๋ยไม่รู้ตัวเลยเรื่องไม่ไม่น่าจะเป็นโรคก็จะเป็นไม่น่าจะเป็นมากก็เป็นมากนี่ก็ทำให้เราเก่น อ, อุปทานนะเพราะนั้นถ้าเราแปลนนะ วันหนึ่งเราจะต้องงานประจําวันของเรามีงานอะไรบ้างที่จําเป็นก็ทําไปถ้าเวลาว่างที่เหลือเราควรจะทําอะไรก็ต้องมาซักซ้อมฝึกในสิ่งเหล่านี้ของเขาว่าทุกคนมีงานทําอ่ะงานกรรมฐานเป็นงานสูงสุดอย่างที่ปรัสนากรรมฐานถ้าสมมุติว่าเราเดินและปฏิบัติที่บ้านถ้าเพื่อนคนในบ้านเราไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะว่าเราว่าไง ไม่รู้คือไงก็แต่ก็ว่าไม่ได้เห็นมันจะเดินจงกรมนั่งสร้างเยว่อะไรก็ไม่รู้ได้อะไร <c oughs> แต่แเราหารูว่าอันนี้คืองานสูงสุดของชีวิตนะงานสุดยอดที่จะช่วยเหลือตัวเราเองแลว้วเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขได้เพียงแต่ว่าเขาเราไม่วิตกกังวลเราไม่จมไม่บุญเราไม่อทะเลาะเบาแวงเราไม่ขัดแย้งโถกเถียงไม่ตอบสนองอะไรในทางที่ชวนให้เกิดความอ่าคุณมัวเนี่ยเขาก็สบายละครอบครัวนะ นั่นก็ลองไปฝึกลักษณะนี้ดูนะก็ทําอย่างเงี้ยโดยที่อย่าไปคิดว่าใครมาดุนมาดันมาลันมาลึงมาบีบมาคั้นเราทําทแบบ ส, สบายอืาแต่ถ้าเอาไปทําเป็นหลังถอยหลังให้พระพี่กุลเห็นเขาจะว่าไงคงไม่ว่าอะไรเนาะเดินว่างไหมได้รลยเนาะเดินว่างออกกําลังกายว่างก็ไม่ว่ากันใช่ไหม <c oughs> เอราะในขณะที่ทําเนี่ยมันก็ปัญหาอุบายศักดิ์ที่เกิดขึ้นบางอย่างก็แก้ไขได้วยวิธีนี้แก้ไขวิธีก็อีกแก้ไขวิธีหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นมีการเอ็กซ์ไซส์ออกกําลังเนี่ยแล้วก็ไปแก้ไขในเวลาง่วงจัดหรือเวลาคิดหรือเวลาวิตกกังวอลอะไรต่างๆแล้วเอาตัวนี้เข้ามาแก้มันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปซึ่งชีวิตจริงๆแล้วมันถ้าเราไม่เอาความอยากมาเป็นเนื้อเป็นตัวเนี่ยมันแทบจะไม่มีสาระอะไรนะ คนทั่วไปเนี่ยเอาความอยากมาเป็นสาระวันวันหนึ่งถ้าไม่ได้ทํางานเรื่องเป็นราวได้เถอะว่าชีวิตนี้ไรค่าไรศูนย์เปล่ามากเลยลเลยไปอยากหาเรื่องอะไรทํานะไม่ว่างานนั้นมันจะขาดทุนก็ตามแต่ขอได้ได้ได้รู้ว่าฉันมีงานทำบางทีทําไปแล้วขาดทุนปเป็นแสนแสนในร้านก็ยอมอืมแต่ว่ามั น, ม, นมันหาทุกใส่ตัวเองนะงานหาทุกใส่ตัวเองเนะยอะมากเลยนะมันก็แปลกนะทุกชีวิตเป็นทุกอยู่แล้วเนะี่ย แล้วก็ไปหาทุกข์เพิ่มขมาดีก น, นี่ไม่มีกับสร้างนี่ให้กันด้วย <c oughs> มันเป็นเรื่องอะไรที่บางอย่างเราอยู่เฉยๆแบบอยู่แบบสุขไม่เป็นเนาะดังนั้นเอาไปสักซ้อมให้ดีนะเราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่โชคดีมากเลยถ้าได้พัวิธีการของพ่อเทียแล้วได้ฝึกฝนให้มีสัมปัจญาที่สัมผัสได้ที่รู้ได้เห็นได้พิสูจน์ได้ว่าเออเราใช้สติสัญญา แล้วก็การเกี่ยวข้องปัญหาได้ต่างๆในลักษณะที่เบาบางนุ่มนวล น, นะเราจะเป็นคนไม่ใช่คนอ่อนแอแต่เป็นคนอ่อนโยนเราไม่ใช่นคนอ่อนไหวจะเป็นคนอ่อนนุ่มอย่างนี้ยเป็นต้นนะเราจะไม่ใช่เป็นคนเก็บเงียบเคร่งขึนแต่เราเป็นคนสงบเย็นก็หาแล้วก็ค่อยทำไปอย่าง เพราะคนส่วนใหญ่ถ้าหาว่าไม่ได้ฝึกการเจริญสติแบบนี้จะอยู่ถ้าจะอยู่เฉยๆก็อยู่ด้วยความเก็บกดและกดดันโดยไม่รู้ตัวโดยที่เราหาเรื่องมาบีบคั้นตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะโดยเฉพาะอยู่เป็นครอบครัวได้ทําใจยากนะถ้าไม่ได้ฝึกด้วยกันนะแต่ถ้าได้ฝึกด้วยกันอย่างถูกต้องแล้วมันก็ต่างคนก็ต่างให้กําลังใจในการฝึกกันต่างคนก็ต่างรู้ด้วยมีวิตกังวลนะนี่เราจะหาเพื่อนอย่างนั้นได้อย่างไรแต่เราหาเพื่อนอย่างนั้นไม่ได้พุทธเจ้าบอกว่า อยู่คนเดียวดีกว่าไงนะไม่ต้องมายุ่กังวนขาใครจะหาเพื่อนได้ในลักษณะเข้าใจกันนะเออก็โอเคก็สั่งสนับสนุนมีพลังที่จะช่วยเหลือคนอื่นลงกันนั่นอันนี้ก็อยากจะให้ไปทำดูเรื่อยๆนะตกลงว่าสิ่งที่นำเสนอวันนี้เข้าใจได้นะเอาไปทำได้อหมอทำได้ ก็ยังคงใจเหมือนกันง่ายขนาดนี้ยังทําไม่ได้มัรู้จะไปทําอะไรอีกเนี่ยคิดว่าง่ายแล้วนะแต่เราไปทําดูประการสําคัญคือซักซ้อมทําบ่อยๆะโดยที่ไม่ต้องไปหวังผลนะทํำเล่นๆมโหเทียนได้ว่าทําเล่นๆในชีวิตมันเป็นของเล่นอยู่แล้วหมายความว่าเป็นของเล่นของอนิจังทุกขางหน้าตานแต่ถ้าหากว่าเราเล่นกับอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่เป็นมันก็จะเล่นงานเราแล้วเราก็ต้องพิกเล่นกับมันให้เป็น คือถ้ามันเล่นงานเราหมาควาว่าเราเป็นทุกข์ลูกเดียวแต่ถ้าเราเล่นมันเป็นเนี่ยเปลี่ยนความทุกข์ที่มันให้เราออกมาเป็นความอเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างเหมือนกับช่างที่เขาเล่นไฟแล้วเป็นการเป็นงานไม่เหมือนเด็กเล่นไฟถ้าเล่นไฟก็ไม่มือแต่ช่างเล่นไฟแล้วมีประโยชน์เป็นเครื่องยนต์กลไกออกมาทันทีเลยใช่อ่าชีวิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเล่นมันเป็นชีวิตนี้จะมีประโยชน์เนี่ยบางคนใช้ชีวิตจนชำรุดอนะ สชำรุดเสียหายแล้วกับคืนปกติยากโดยเฉพาะความเสียหายของความรู้สึกที่เป็นหรืยว่ามนโมนโุษยมทำนสษย์สำนึกต่างๆเนี่ยมันเสียหายไปมากแล้วเดี๋ยวนี้ยากที่จะซ่อมแซมเพราะฉะนั้นเองเราก็จะต้องสร้างให้กับตัวเองคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองว่าความรู้สึกที่ดีๆของเราต้องไม่ถูกทําลายต้องไม่ถูกบีบคั้นทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมา แต่ให้มันยังมีภาวะที่สมบูรณ์พร้อมอยู่มีความต้านทานสูงนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังตั้งรับได้อย่างสงบนะเพราะจิตของเราเนี่ยมันไปเป็นเครื่องมือของกับกิเลสของอดีตอนาคตเป็นส่วนใหญ่อ่ น, นะแต่ถ้าไอจิตของเรากลับมาตั้งอยู่ในปัจจุบันได้รวดเร็วตรงนี้ยความปกติสุขก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นนะอย่าให้จิตของเราไหลไปในอนาคต กลับมาอยู่ปัจจุบันกลับมาอยู่ปัจจุบันเสมอแล้วค่อยๆทาอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งตั้งสติบ่อยๆตั้งใจบ่อยๆก็ตั้งบ่อยเข้าบ่อเ ข, เ, ขขข เ, เข้าจีตของเราก็จะสงบได้เร็วขึ้นนะแต่ที่สําคัญเท่าที่มาสังเกตไม่ว่านักปฏิบัติเก่านักปฏิบัติใหม่เนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันสองคนขึ้นไปเนี่ยมันจะโฟหันกันโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าเราไม่เข้มแข็งนะถ้าคนที่เข้มแข็งอยู่ด้วยกันเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกัน นะเพราะอะไรเพราะไม่เกี่ยวข้องกันโดยไม่จําเป็นถ้ามีธุระเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปแต่ถ้าไม่มีธุระก็ทําหน้าที่ของใครของมันไปนะแต่ถ้าเราจะโดยสติไม่เป็ี่ยนเราก็จะมีอุปทานว่ามีเรามีเขาขึ้นมาเราต้องทํานี้เขาต้องนี้เราต้องพูดนี้เขาต้องพูดนี้มันมีเร า, ม, เรามีเขาขึ้นมาเราไม่สามารถจะตั้งอยู่ในสภาของรูปนามล้วนๆได้เป็นนะมันมีอีกรูปนามหนึ่งคอยดึงดูดเรา หรือเราพยายามผลักไสอีกรูปนามหนึ่งมันก็เลยเกินเนื่อตัวประธานขั้นละเอียดลึกซึ้งแล้วเนี้ยค่อนข้างทําใจยากแต่ว่าถ้าหากเราทําใจทดลองบ่อยๆเออถ้าอยู่กับคนคนนี้จิตแล้ว เ, เปยังไงอมันอยากจะพูดมันอยากจะคิดมันอยากจะทําอะไรหรือมันเฉยๆได้ไหมเหมือนไม่มีใครอยู่ใกล้เราเลยเนี่ยเราทําเป็นไหมเออน่าทํานะเออมันมันเป็นอะไรบางอย่างที่ท้าทายสําหรับนักปฏิบัตินะ ผู้สําหรับนักปฏิบัติต้องทําใจอย่างนั้นแต่ผู้ไม่ปฏิบัติเขาอยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมอ่าหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าออกมาทันทีแต่ของเราได้หนึ่งบกหนึ่งก็ยังเป็นหนึ่งอยู่ถ้าเป็นนักปฏิบัตินะหรือบุงทีหนึ่งบวหนึ่งเป็นศูนย์เลยอ่าถ้าหนึ่งบวหนึ่งเป็นสองนี่ไม่ใช่แล้วนะมันจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าคิดว่ายากไหมคุณทีฮะไม่ยากกลับไปบ้านไม่ไม่ทัก แทนเราแทนแทนเขเอฟเป็นอะไรมาหรือเปล่าเขียนหรือเปล่านั่นน้ำาขนำใจเหมือนกันอนั้นก็ขอให้เราได้นําไปศึกษานะอะสําหรับช่วงเวลาที่เหลือนี้จะพาทัวร์ป่าสักรอบหนึ่งเนาะแล้วหลังจากนั้นใครจะแม้เขาไม่ได้ช่วงที่สองเนี่ยใครจะสมัครที่โน้นที่นี้นก็ก็แล้วแต่นะ แต่ว่าให้ตามกติกาอยู่ท่า น, นก็ทํำกติกาทางนู้นมาทางนี้ก็ตามกติกาทางนี้เท่านั้นเองไปเราก็จะเดินอจงกรมข้างนอกบางทีนี้อ่ะดูขึ้นตั้งแถวเลยนะตั้งแถวเดินภายใ น, นสักรอบก่อนแล้าก็จะพาออกสำหรับผู้ที่อต้องการศึกษาธรรมชาติเพลนี้เราจะอ่า ศึกษาเรื่องเวทนานะหลายขั้นตอนอโดยเฉพาะในช่วงอากาศช่วงบ่ายนี้เราจะเห็นว่าเราได้รับเวทนาสี่ตัวอันเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารกรรมคือการปรับเปลี่ยนกายกรรมมโนกรรมที่มันพอดีหรือไม่พอดีก็มีผลให้เวทนาหนักเวทนา เบาและเวทนาปานกลางเห็นได้ชัดนะโดยเฉพาะเวทนาร้อนแล้วก็อันที่สองกรรมจิตจิตที่ชัวคิดพวกเราก็สามารถที่ทาให้เกิดทุกเวทนาได้เพราะว่าจิตนี่เป็นที่ตั้งของอุปทานเมื่อทีเวทนาธรรมดาเนี่ยพมีอุปทานในนั้นมันกลับเป็นมากขึ้นเมืนเราไปถูก ตึงต่อยทุกเมล็ดป่องถูกอะไรเนี่ยต่อยหรือบางทีมีอะไรตําปึ๊กเนี่ยมีคนบอกเออเมล็ดป่องมันจะปวดขึ้นทันทีทั้งที่มันมีสะเก็ดน้าอะไรสักสิกิตนิดหนึ่งนองเพราะฉะนั้นตัวอุปทานนี้ทำให้ความทุกข์ที่มันมีอยู่ปกติทำให้มากได้กรรมจิตคิดไปแล้วมันทำให้ร่างกายไม่สบาย แล้วก็อุตุดินฟ้าอากาศที่เราบังคับไม่ได้นะก็ทําให้เร า, เ, าเกิดความวิตกกังวลกระวนกระวายถ้าเราแยกระหว่างเวทนาทางกายทางจิตไม่ออกเราก็จะไปเพิ่มตัวเวทนาที่เกิดจากอุตุเนี่ยจากน้อเป็นมากได้นะจิตของเราก็จะถูกเวทนาทางกายเนี่ยบีบบีบพุ่ยจิตของเราก็จะ ลืมสติหรือสติเรียกว่าตัวเพอเกิดมาจากทุกขเวทนาเตัวเีอจะมากกว่าตัวเผลินตัวเผลินนี่พอเราสบายนี่หน่อยเราเสพปั๊บก็จะเผลินตัวเหอคิดที่จะบ่อยกว่าตัวง่วงหรือตัวขี้เกียจน่ะกเบื่อ <Le f krit> แล้วก็มีสามตัวต so ัวเพิ <gut stomach> <nosso> <nes> ่นตัวเหลือและตัวหลงตัวเพิ่เกิดจากความรู้สึกสบายตัวเผอความรู้สึกรู้สึกทางกายที่ไม่สบายและตัวหลงเกิดจากความที่เราไม่ใส่ใจต่อความสบายหรือสบายไม่ชัดใส่ใจไม่ชัดสู่ทุกขณะเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใส่ใจแบบวิเคราะห์วิจัยตามรู้ขบวนการเหตุเกิดเราก็ได้ตามดู ตัวนี้ก็ก็จะเกิดทาให้เราหลงหลงว่าเราเป็นสุขหลงว่าเราเป็นทุกข์แล้วก็หลงคิดหลงยึตกังวลไปเนเพราะนั้นตัวทั้งสามตัวเนี่ยมันก็จะมาสลับหน้ากันมาแต่ตัวพื้นฐานก็มีสามตัวพื้นฐานเือสบายเมืม่อสบายแล้วก็ไม่ชัดพอขาดการจำรู้สามตัวนี้ก็คือความอ๋อความเพลินความสุขบางคน ชอบใจไม่ชอบใจและความไม่ใส่ใจพอสามตัวนี้เราอยัางตามรูปทันก็จะเกิดความเพลินความเผลอและความหลงตามมามันก็จะเป็นเหตุของเหตุของเหตุของเหตุดีทีหนึงถ้าเราใส่ใจอย่างนี้ป๊อเนี่ยมันก็ไปตัดแต่ต้นเหตุเลยทีเดียวพอใจไม่พอใจหรือตัวไม่ใส่ใจก็ไม่เกิดเพลียงแจวิสิกสบายก็ รู้สึกตั ว, ว่าเป็นธรรมดาไม่เข้าไปสำคัญมั่นหมายรู้สึกไม่สบายก็ไม่ได้ไปเพิ่มนะไม่ได้ไปเพิ่มกำลังของความไม่สบายไม่ได้เพิ่มออกมเป็นความคิดเวลาเราหลงเราพยายามใส่ใจขณะที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยในลักษณ ะ, ะในส่วนย่อยส่วนละเอียดเวลาเราเหยียบเท้าเรายกเท้า เราเดินช้าเดินไวอะไรคอยสังเกตความเร็วความช้าความหนักความเบาความตึงความหย่อนความเคลื่อนความไหวเนี่ใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้ความหลงก็หายไปพอมาใส่ใจทางเวรานทางกายทั้งสามคือสุข ท, ท, ทุกข์ทุกข์คือสุขออันนี้ต้นเหตุที่จะถามว่าสามตัวนี้เกิดจากอะไรสามตัวนี้เกิดจากกฎของ ไตรลักคืออา น, นิจจังทุกขังอนัตตาอา น, นิจจังก็ให้เกิดเกินทุกขังไม่เกิดเผออนัตตาท้าไม่เกิดหลงสุก ข, ขังก็เกิดสบายทุกขังก็เกิด ค, ความไม่สบายอาทุกขมสุขก็ให้เกิดความไม่ใส่ใจความไม่แน่ใจที่ถามย้อนกข้าไปอีกว่าไตรลักเกิดจากอะไรเหตุขาเหตุหรืออานิจจังทุกขังดากเกิดจากอะไร เผื่อวเราจะตามดูต้นเหตุของมันจริงๆอา น, นิจังความเปลี่ยนแปลงความทุกข์ขังคือแปรปรวนแล้วก็อา น, นิจังอริยานตาไม่อยู่ในอาการที่เราจะควบคุมนะครับไม่เป็นตัวอย่างที่เราต้องการหรืมันมันจะต้องแตกดับมันจะต้องเสื่อมต้องสิ้นต้องสลายไม่สามารถจะคงทนอยู่ได้เพราวะ ทุขังกับอนัตตานี่มันก็เกี่ยวเนื่องกันทีนี้ถ้าหากว่าตัวอ น, นิจจังคือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่คัามแปรปวนแล้วก็แตกดับดังนั้นวิธีการไปเลยสติปัญญาของเราก็คือไปควบคุมการเปลี่ยนแปลงไปดักแปลง แต่แปลงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแทนที่มันจ ะ, ะเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันแล้วก็ดัดแปลงสมมุติว่าฝนตกมาธรรมชาติของมันคือต้องเปลี่ยนแปลงก็คือต้องไหลไปสู่ที่ต่าใช่ไหมทีนี้พอเราจะเอาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงตัวนี้คือไอ้ไอ้ฝนที่ตกมาเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นฝนของมีการแปลี่ยนของดินฟ้าอากาศตกมาเป็นฝนแต่เราจับต้นเหตุว่าฝนตก โดยธรรมชาติที่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นน้ําไหลลงไปตามธรรมชาติเราก็เลยไปดักเอาน้ําฝนที่มันจะไหลไปสู่กระบวนการตามธรชาติมันต้องไปตกที่ดินน้ําหุ่นน้เาเที่ยวก็ไปน้ําเสียแล้วก็ลงไปน้ําทะเลเงี้ยเราก็ไม่รับประโยชน์พอเรารู้าทันมันปับ๊บเราก็ไปดักเอาน้ําฝนที่ตกมาสร้างเป็นแองเป็นแทงเป็นถังเป็นเขื่อนเป็นอ่างก็แลแต่เเก็บไว้เท่าที่สามารถเก็บได้ แล้วก็สามารถเอาจํานวนของน้ำฝนแทนที่มันจะไหลไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ามาใช้นลักษณะที่เราเข้าไปดัดแปลงเนี่ยดัดแปลงการเปลี่ยนแปลงเราก็ได้ประโยชน์จากมันมสมมติว่าแสงพอาทิตย์เนี่ยมันก็ส่ อ, สองลงมาร้อยวันพันปีเนี่ยเมื่อไม่มีวิทยาศาสตร์เราดัดแปลงไม่เป็นพอวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นดัดแปลงเอาแสงสว่างมาเป็นแสงสุรเสือ ก็ได้เ่เป็นกระแสไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีการสร้างเขื่อนเกิดขึ้น mm. ก็ไม่ทําเขื่อนอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่รวมรวมกันเปลี่ยนแปลงของน้ำฝนที่ตกลงมาให้เป็นกระแสของไฟฟ้ า, ฟาอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมุติเราเราไม่มีการดัดแปลงฟั๊บมันตก ล, ลงมันก็ไหลลงห้วยลงถิวลงของหนองบึงองทะเลไปก็ไม่ได้ไประโยชน์อะเพราะเราไม่สามารถแต่การที่ไปเปลีป่ยนแปลงเราสามารถควบคุมมันได้ทีนี้ ไอ้อริจังก็ไม่เป็นอนัตตาละอ น, นิจังนี้เปลี่ยนเป็นปัญญาเหมือนจะเปลี่ยนกระแสน้ําไหลแทนที่จะไหลลงทะเลมันกลับไหลไปหมุนปั่นใดให้เกิดไฟฟ้าขึ้นมาอ่มันก็การที่เราสามารถควบคุมเงื่อนไขของอ น, นิจังได้มันกลับไม่เกิดอนัตตามันเกิดเป็นปัญญาเช่นว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเขร่งตึงของเราเนี่ยเป็นกดของอริจังพอเราไปดัดแปลงคือไปตามรู้กำหนดรู้ วิเคราะห์วิจัยอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะมันอย่างรู้เท่าทันว่าเราไปดัดแปดวนั้นปั๊บมันกลายไปเป็นตัวธรรมคือตัวปัญญาแทนที่จะเป็นอนัตตาเห็นไมเพราะนั้นอันนี้คือกฎของการที่จะเข้าไปจัดการอนิจจังไม่ให้นเป็นทุกขังอนัตตาก็อนิจจังสุ ข, ขังปัญญาแทนที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ทางมหายานเขาอนิจจังทุขังนิพพาน แต่พอมาหายานเห็นแล้วว่าเราอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็มาแปลเป็นกรรมฐานก็อนิจจังสุขขังก็เป็นปัญญานี่นี่หมายความว่าเราตุสติสัมยะเพื่ออะไรเพื่อไปปรับดัดแปลงปรับแก้ตัวกฏของอนิจจังถ้าเราดัดแปงให้เป็นทั้งด้านวัตถุเรียกว่าพัฒนาถ้าดัดแปงให้เป็นทั้งด้านนามธรรมเรียกว่าภาวนาในตัวอนิจจังตัวนี้เนี่ย มีถามว่าแล้วอะไรเป็นตัวกมือขอนิจังอ่ะอนนี้จังเกิดจากอะไรอันนี้จังความไม่เที่ยงใช่ไหมนิจังความเที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าเป็นอานิจังความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงเกิดจากการกําลังของสองกำลังกําลังบวกกําลังลบทํางานร่วมกันใช่ไหม ในกำลังของจักรวาลมันสอดคล้องกำลังของจักรวาลว่ามี2 อ, อย่างคือสสารและพลังงานหรือโมเลกุลกับเอเนจีนะสะสารคือสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหมดพลังงานคือสิ่งที่เป็นนามธรรมา ท, ทั้งหมดพลังงานก็จึงเป็นนามธรรมานะสะสารก็เป็นตัวรูปธรรมรูปธรรมนามธรรมก็เกิดสองอย่างนี้เองนะรูปคืนการเกิดนามธรรมการดับ อ่าตอนนี้นอันนี้จังจึงกําเนิดมาจากการเกิดดับที่เป็นกําลังของจักรวาลมันก็จะครอบคลุมทั้งหมดเลยทีนี้ครอบคุมทั้งจักรวาลทั้งโลกเราก็เป็นเป็นฝุ่นฝอยเป็นธุเ ล, เลีเล็กๆของจักรวาลนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปผลเราก็เป็นฝุ่นเป็นธุลีในจักรวาลนี้แต่ว่ามันมีในนั้นมันมีท่าสี่ขันห้าอยู่ดินน้ำโลภไฟอยู่ในนี้เราก็ได้กําเนิดชีิตมาเป็นเรา แต่เราไม่รู้จักชีวิตของเราเราก็ไปสําคัญว่าอันนี้เป็นของเราพอ เ, เป็นสำคัญวไปของเราก็ักพอมันเปลี่ยนแปลงไปตามกดของใจรักแล้วก็เป็นทุกข์เรามีเงินแสนหนึ่งมันเกิดแต่คนเปลี่ยนแปลงไปหายไปจากกระเป๋าเป็นทุกข์ว่าเงินของเราหายหรือเรามีรถสักคันหนึ่งเกิดรถคันนี้มันไปนไปตามปกฎของมันคือมันเสียเราก็เป็นทุกข์ว่ารถเราใช้ไม่ได้เราก็ไปหาเงินมาซ่อมรถ มันก็ไกลายเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงเราไม่เข้าใจกดอันนี้เราก็ไปยึดว่าเป็นของเราลูกของเราผัวของเราเมียของเราเรถของเราบ้านของเราสมบัติของเราพระพาทธเท่านเลย ว, ว่าคนทานย่อมสำคัญสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนสำคัญสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสำคัญสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขท่านบอกว่า แม้แต่ตัวของตัวเองยังไม่มีเลยแล้วอย่าไปสำคัญสิ่งอื่นว่ามีได้อย่างไรเพราะนั้นคนที่เป็นภูตูชนทั้งหลายก็อถือว่าเป็นคนเข่าต่อกฎของอนิจจังเพราะทุกข์กับความ อ, อยากจะให้สิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอย่าให้สิ่งที่ไม่เป็นทุกข์ให้มันเป็นสุขอย่างสิ่งที่มันเป็นไม่มีสาระแก่นสารไม่มีตัวตนให้มันมีตัวตนอยากให้สิ่งที่มันป ร, รับ บัญชาไม่ได้เนี่ยให้มบบันเาบัญชาได้จึงเป็นทุกข์เพราะเหตุนั่นเองเพราะเหตุที่ว่าเราไปซ้อมันบันห ม, มายนี่จังทุกขรั้าหน้าตาว่าเป็นเราเป็นของเราพอเราปฏิบัติธรรมจเจริญวิปัสสนามากเข้ามาเข้าเราไปเห็น อ, อ๋ออันนี้เป็นธรรมดาเนี่ยมีได้มาแล้วก็เสียไปเรื่องธรรมดาสบายแล้วก็เจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาร้อนแล้วก็หนาวหนาวก็ร้อนเป็นเรื่องธรรมดาสุขแล้วก็ทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาได้มาแล้วก็เสียไปเป็นเรื่องธรรมดา พอเราทำใจนี้บ่อยเข้าบ่เข้าเราเริ่มใจเราเริ่มเป็นกลางการที่จะประสบการสูญเสีย ข, ของการพลาดพลาดปร ะ, ระสบกับความไม่ได้ตามปรารถนาเมื่อก่อนเราเป็นทุกข์ฟุ้งไฟแต่พอมาเดี๋ยวนี้เรากลับเฉยๆได้ น, น, นี่อันเนี้ยประโยชน์ของมันคือเราสามารถวางใจเรียกว่าปล่อยวางการภาวนาเพื่มเกิดการปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางได้ก็แสดงว่าเราเข้าใจขวดของไตรลักษณ์ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ ที่บางคนก็ปล่อยวางได้บ้างเงินหายสิบบาทยี่สิบาทพอปล่อยวางได้ร้อยบาทชักคิดนิดหน่อยพอพันบาทชักสงสัยพอหมื่นบาทยังไงกันเนี่ยพอแสนบาทฝ่ายเดียรดอนเราทีนี้ขึ้นไปเรื่อยๆพอแสนบาทยังไม่ไปเลยแล้วเสียรูปไปอคนรูปติดยาโอ้ชักหนักเลยนี่น ไปสามีไปโดนคดีติดคุกเขายิ่งหนักเข้าไปอีกพ่อแม่ป่วยเขาลงโรงพยาบาลมันก็เริ่มสูญเสียที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจิตของเราที่เริ่มปล่อยวางได้นิดๆไม่พอแล้วตรงนี้ก็เริ่มปฏิบัติมากขึ้นเพื่อให้ปลดปล่อยวางในสิ่งใหญ่ๆได้มันก็ทําให้เราอยู่ในโลกนี้ได้สบายเราปฏิบัติเล็กๆแล้วก็ปล่อยวางในสิ่งเล็กๆน้อยๆได้แต่พอเราปฏิบัติมากขึ้นแมกระทุกเหตุการณ์สิ่งใหญ่ๆเดียว้าย ก็ลปล่อยวางได้ <c oughs> นี่คือประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเพื่อทําใจให้เป็นเป็นการในทุกสถานการณ์ mm hmm. เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์มีได้แต่ละเวลาจะมากคือน้อยจะเร็วหรือช้า mm hmm. ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเพราะนั้นการปฏิบัติของเราจึงไม่ไร้ผลต้องมีผลแต่ประการสําคัญก็คือว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้เป็มไหม ถ้ปฏิบัติแล้วเอาไปใช้ไม่เป็นเหมือนหาเงินมาบางคนใน ห, หาเงินมาได้เนี่ยสามารถเอาไปต่อไปลงทุนต่อมีกําไรมีเงินขึ้นมาบางคนหาเงินมาได้แล้วใช้ไม่เป็นไปนกู้หนี้ยืมสินเอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไปเล่นการพรนันเอาไปาทําในสิ่งที่ไม่ก่อ ผลกําไรขึ้นมาได้มาเท่าไหร่ไม่หมดอแด้ไม่ทไเท่าไรก็ไม่เหลือเหมือนกันบางคนเอาปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่กี่ครั้งแต่ปรากฏว่าเอาไปพัฒนาต่อยอดอได้อย่างรวดเร็วแต่บางคนพัฒนาไปเป็นสามปีสี่แหงก็ยังเท่าเดิมหรือทําท่าจะไม่คอ่อยรอดสองนี้นะี่นะก็ราะอเพราะกันพัฒนาต่างกันอยู่ที่ตัวเรา อันนั้นเองก็อยากจะให้พวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่รู้จักนําไปพัฒนาต่อยอดก็คือหมายถึงว่าตัวนี้คือเป็นตัวตั้งที่เรามาในมหาต้นทุนนะได้เงินทุนไว้ก้อนหนึ่งนะพอไปบ้านเราก็ไปลงทุนค้ากาไรทําเป็นไหมค้ากาไรไม่เป็นกับบ้านขาดทุนหมดเนื้อหมดตัวกลับมาข้อค้อนมาอีกเทอะไรเจ่าคือย่งเงี้ยหมดนะ วันนั้นมานี้แล้วก็กคล้ายลักษณะเป็นทุนดีมาเพื่อจะรับต้นไม้เบียยต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อจะไปปลูกเราลองปลูก้องดูแลมือขึ้นซึ่งเราจาเป็นต้องอาศัยกายานมิตรกายานสหายสแวัล้อมแล้วก็แรงบันดาลใจจุนี้สำคัญต้องมีแรงบันดาลใจ ซึ่งมันไม่สามารถจะสร้างเป็นสูตรตายตัวเหมือนเนี่การลงทุนได้การลงทุนค่อยสร้างหลักเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาต้องค่าคาดแบบนี้เขีได้กำไรขาดขาดแบบนี้ขาดทนุนมันมีหลักในแง่ของวัตถุนี่มีหลักเตรียมพัฒนาบริหารให้เป็นไปได้ไม่ยากแต่แง่ของนา ม, มาทำนี่มันมันขึ้นกับปัจจัยมากกว่านั้นอีกบางทีเราก็เช็คดูแล้วเอ๊ะทุกอย่างมันก็ทํามาถูกต้องหมด แต่บทมันจะเป็นมันจะเปลี่ยนไปพลิกันงามือเปลี่ยงมื อ, อเราก็หาสาเหตุไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยมันขเขาเรียกเป็นหนี้มาในอดีตมากมายเป็นหนี้กรรมหนี้เวนหนี้หนี้ของความที่เราจากเจ้าหนี้สามตัวเนี่ยจําได้ไหมเจ้าหนี้คือสุข เจ้านี่คือทุกข์และเจ้านี่คือไม่รู้พอเรามีสุขมาเราใช้สุขไม่บั ญ, ญบยับบรรยังใช้เกินเป็นหนี้พอเราเป็นทุกข์มาเราก็ใช้ทุกข์เกินไปทุกข์มากเกินไปก็เ ป, นนเป็นหนี้พอรปหลงเผลนอะไรด้วยอวิชชาอำนาจของความไม่รู้แล้วก็เผลนในสิ่งนั้นจนติดก็เป็นหนี้เขาเริยกเป็นวิบากดำเพราะนั้นวิบากดำจะมีสามตัววิบาก บุญบากสุขวิบากทุกข์เราวิบากอวิชชาเราก็ใช้กันไม่จบเพราะฉะนั้นการที่ใช้ก้อนนี้จบใช้นี่ทั้งหมดนี้จบเพราว่าใช้ได้ไวที่สุดคือการมาสร้างวิปัสสนาปัญญาเพราะถ้าวิปัสสนาปัญญาเนี่ยสามารถที่จะใช้นี่กรรมนี่เวร น, นี่บุญนี่บาปได้ได้หมดไวนะเหมือนกับเราเป็นนี่แสนช่องแสนล้านสั่งล้านพอเวลาไปลงทุนได้มากกว่านั้น แม้เป็นร้อยล้านพันล้านล้วก็นี่แค่นี้เราก็ใช้หมดไวการที่เรามาทำวิปัสนาเนี่ยเหมือนืับเราสร้างหาอริยทรัพย์ที่มีราคาสูงเพราะนั้นโบราณเขาถือว่าผู้ปฏิบัติวิปัสสนานั้นผู้ที่มีได้กำไรสูงกว่าทำบุญต่างๆการให้ทานการรักษาศีลยังไม่มีผลอนิสงส์งเท่าออกับการทำวิปัสนาเ่าอเลย เขาทำวิปสัสนามันสามารถที่ใช้นี่กรรมนี่เวนี่พ่อหนี้แม่นี่่อาบุญนี้บาปที่เราเป็นมาในอดีตเนี่ยหมดได้ไวสามารถหมดนี่ในชาตินี้อถ้าหาทำบุญรักษาศีลให้ทำรักษาศีลอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถจะใช้นี่กรรมนี้เว น, นี่บุญนี่บาปหมดได้ในชาตินี้เนี่ยอาจจะต้องต่อไปอีกหลายชาติแต่ทำวิปสัสนา ม, นมันมีโอกาสหมดในชาตินี้ได้ mm hmm. แล้วนันไหนๆเรามาทางนี้แล้วเนี่ยสมาถึงบอกว่าต้องถือเป็น เป็นหลักของชีวิตทีเดียววันในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ตัวสติสัมยาลงในกิริยาต่างๆได้โดยไม่ยากเลยทำให้เราสบายทำให้เรามีความสงบแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่มันจะโดนเนืรมิจฉาทิฐิยุคสมัยที่เต็มไปได้วยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอืออ้ออมนวนเหมือนเราปลูกผักหน้าแรงเนี yeah. ่ย มันขึ้นลดน้ำทุกวันเมื่อทำท่าจะตายอยู่เรื่อยใช่ไหมีมหมายความว่าเราจริญสติจะเินสมาธิปัญญาในท่ามกลางของคนที่ไม่สนับสนุนไม่ให้กำลังใจไม่ช่วยไม่เกิดความอยากเลยอะ่ะมันมีแต่จะดึงลงดึงเราลงตรงนี้แหละ <c oughs> เรียกว่าเราปูกผักในหน้าแรงปูกตัวไม้หน้าแรงนอกจากจะลดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วอยาไม่ค่อยรอเรา ท, ทาทาตายอีกใช่ไหม เราจะได้สติมาดีๆกลับไปบ้านไม่ใชอื่นดึงไปหมดเลยเผาทิ้งหมดเลยต้องระวัง <c oughs> ต้องไงก็ต้องหาวิธีการรักษาไว้ให้นานที่สุดถ้า่ที่จะนานได้ทางที่ปลอดภัยที่สุดทำไงที่จะรักษาโดยมาให้ปลอดภัยทำไงนะ <c oughs> เอาไปไว้ใน nursery house <c oughs> มีจากไม้น u r s e r y เฮาอยู่ไหน นี่น เ, เ, เนื้ซี้านวัดนี่นใครต้องการมาปลูกต้นไม้ในเนซีาวนต้นไม้ตอนีอคือในส่วนหนึงมาโดยเฉพาะเพราะนั้นเราจรึงเรียกพระสงฆ์ว่าเนื้อนาบุญของโลกบุญจักเขตต่างโล ก, กไปสักมายถาว่าใครมาปลูกไม้ต้นไม้ในลักษณะของของอกมาศึกษาแบบนี้มันโตวไวสิ่งวันแเรามันช่วย พระสง์ถึงว่าเป็นเนื้อนาบุญก็เพราสงฆ์ทำในบุญยเขตอันนี้มันคือเลยง่ายแล้วนั่นเองเวลาเรามาเข้าคอร์สปฏิบัติเราก็เหมือนพระเหละนะพระแต่ออกไปบ้านจะทำไงที่จะให้ความเป็นพระของเราเนี่ได้ได้ยั่งยืนเขาก็ทำเหมือนพระและพราอยู่ว่าทำอะไรปีเช้ามาทำว่าสวมน์นั่งภาวนา ภ า, าวนาเดินเดินรวมสร้างจังหวะทำสมาธิไปทํางานก็เหมือนไปภาวนานะี่ซื้อขายง้ายมือ ท, ทาําไรทํานาค้าขายต่าง ๆ, ๆก็เหมือนไปภาวนาก็ทําไปมันก็จะต่างจากชาวบ้านชาวบ้านเขาจะคุยเรื่องผลกําไรเรื่องขาดทุนเรื่องลูกค้าเรื่อง เ, อเงินทุนเรื่องต่อขยายกิจการในการเขาก็จะคุยไปเรื่องนั้นใช่ไหม แต่เราจะคุยเรื่องอะไรมือสิตัวมือสิตัวโยงคนหนึ่งว่าปฏิวัติแต่มาแล้วกลับไปบ้านไปจะไปไปจะไปนั่งรอได้ขายของมนก็ไม่ใช่ว่าคนจะเข้าตลอดใช่ไหมในช่วงไหนที่คนไม่มาก็นั่งสร้างยังวะเป็นจงกรมสองตายายตาัดกั น, นก็ปรากฏว่าคนเข้าร้านดีๆเนะี่ยตื่นขึ้นมาก็ทำไว้สวดมนต์ อขนาดแกมาอยู่วัดแล้วคนก็กถามหาเอ๊ะไปไหนไม่เห็นเปิดร้านเลยจะให้หลานขายแทนเลยยังได้ขายอีกเลยเพราะ <c oughs> ใหญ่ลันเลยใหญ่ยูงจาได้ไหมเพราใหญ่รันใหญ่ว่านั้นงานนี่เพราใหญ่วันนะ้นไนาไม่จะไม่จะมาเนะีะยปรากฏว่าตาไม่ดีไปรักษาตาพราใหญ่รันก็เลยรักษาบ้านไม่ได้มาอเออก็ดีนะแดี๋ยวเขาเป็นคนจริงจงังตั้งใจทั้งสามีภรรยาตื่นขึ้นมาก็เหมือนพระ อ้าวยาย้ลูกเรียนหนังสือทํ า, า, ากานเป็นหลักเป็นฐานหมดแล้วทำไมต้องมาทําค้าขายลำบากเขาไม่ได้บากหลวงพ่อค้าขายนี่เอาเงินไปสร้างไปทําบุญว่างั้นเอาไปสร้างวัดนั่นแล้วเป็นอย่างนั้นแต่นั้นเองถ้าเราไปนักปฏิบัติจะทํางานอะไรก็ตามคิดว่าเรากําลังจะไปภาวนาคิดว่าเรากําลังจะไปทํากรารมฐานนะเราก็มีการระมัดระหว่าง ในการใช้สอยตั้งแต่ระมัดระวังคำพูดระมัดระวังการกระทำระมัดระวังอไรต่างแบบว่าเพื่อการศึกษานะถ้าเราทำด้วยความไม่เข้าใจมันก็จะเกรงเครียดเข้ากับเขาไม่ได้เกิดวิตกกังวลทำใจลบาบากนี่เราทำไม่เป็นนะถ้าทำเป็นก็คือคือที่เล่นชีจริงอะ่ะเล่นก็ได้จริงก็ได้แต่เขาไม่รู้เราหรอกว่าเราทำอะไรใช่ไหม นั่นทำเล่นๆแต่เอ า, อาจริงๆทาเหมือนเล่นนั้นตรงนี้คือต้องใช้ปัญญาเหมือนกันนะในการที่จะเอาคุณธรรมขั้นสูงไปปฏิบัติในการอยู่แบบที่หลวงพ่อเทียนนี้ว่ากินอย่างต่ำอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทาอย่างสูงออันนี้คือการกระทําของพระกินอย่างต่ำอยู่อย่างตำ่ำเม่อวอกินแบบชาวบ้านอยู่แบบชาว่านนี่แหละแต่จีของเรามุ่งกระทาการอย่างสูงมีทําเพื่อ อาจัดกิเลสนะอันนั้นเรื่องนี้จึงไม่เป็นอุปไรสัต่อการใช้ชีวิตด้วยกรทํางานทั้งโลกถ้าเรารู้จักนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่อย่างที่ได้กล่าวแล้ ว, ว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่เอือ้ออทีเราเข้าไปในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นนะโดนแล้วก็โดนเผาอืคนนั้นดุนคนนี้ดุนหนึ่งนะในบ้านเราสิบคนเหมือนไฟสิบดุน ไอเราเป็นน้ํำใสกระป๋องเล็กๆเดือดเลยว่างั้นน้ำเดือดเลยแทนที่ทจะเอาน้ําไปดับไฟที่ไหนได้ไฟาเยอะกว่าน้ําน้ำไม่มไเดือดไอเราก็ปฏิบัติทำ ม, มาในทีพอโดนไฟไหลายดุนเขาเดือดปุดๆเหมือนกันนะมื่อโดนใส่ไฟเข้ามาดังนั้นเรื่องนี้นะเหินใจนะก็จงพยายามทํามเองทําเรื่องนี้มาก็ไม่ถือว่าทํางานนะทําทําเรื่องนี้ถือว่าภาวนา ทำกรรมาฐานไม่ถือว่าตัวเองทํางานแต่เป็นเรื่องการทํางานเผยแพร่เรื่องโน้นเรื่องนี้กบฏผู้คนทีเรากําลังทำทำกรรมาฐานนะมันก็ได้ไประโยชน์ทั้งเราทั้งเขาสบายแต่ส่วนใหญ่เรืงานเขาจะอยู่ตามเนี่ยตามป่าตามเขาตามสถานที่ตลอดทั้งปีเนี่ยทำเรื่องหาเรื่องทำดีชีสอย่างเดียวอันนี้คืองานเพื่อเพื่อจะได้ไดไประโยชน์ทั้งสองฝ่ายชีวิตของเราผ่านไปวั น, วน โดยที่ไม่ได้ทําเรื่องนี้มาว่าเสานนะียดายนะโยงก็ไม่ใช่ว่าต้องทงาบบาํางานแบบอจมาก็ต้อไปทํางานแบบยมนั่นแหละทำมาค้าขายดูแลลูกภรรยาสามีตามหน้าที่แล้วก็ทํางานดูแลเขาอย่างดีเลี้ยงเขาอย่างดีพูดกับเขาอย่างดีนะเพื่ออะไรถ้าเราเราทำกับเขาอย่างดีเนีวันหนึ่งเราก็จะหมดกรรมเขาเราก็จะไปอิสระแต่ถ้าเราไปคือสาหาความไป ดูถูกดูหมิ่นเขาที่เขาไม่ได้ปฏิบัติมันก็จะเป็นวิบากกรรมของเราได้ออกมาช้าอีกนะั้นมันมีรายละเอียดตรงนั้นเยอะนะก็อยากจะต้องทำในะสำหรับเย็นวันนี้นะใครต้องการที่จะเลือกอยู่ทางน้นก็ด้ทางนี้ก็ได้ตามอิสระแต่ว่าอยู่ทางโน้นก็ทำตามปฏิการทางนน้นมาทางนี้ก็ตามปฏิการทางนี้นะผมบอกกันว่าทางนี้ก็คือเป็นอิสระแต่ลำบาก ตรงนั้นไมาอิสระแต่สบายเนี e abel, ่ยทางเลือกจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วกันรักแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะสบายต้องมองอย่างนั้นนะเรารดมารับหรือจะเดินไปเองเดินจุงกลมกับเดินจูงกลมขี่ อะไรแล้วรถกลับไปแล้วเหรอออไปทาทาไมอาหารมาเยอะๆอาหารมาให้หลวงพ่อเยอะหมดเนี่ยก็ร่มารถไม่มาก็ดีเราจะได้เดินจงกรมกันนะอะไรนะนะนะเออ เดี๋ยวลงไปดูที่พักตรงนี้ใคร่ข้างบนตลาดข้างบนก็ว่างนะหลังนะั้นสองชั้นเลยนะข้างบนก็มีพักถ้าใครอยู่ก็พักข้างบน เ, นะเออนอนนอนนี้ถ้าคืนก็ได้บริการนะถ้านอนนี้เดี๋ยวก็ไปเอาเอออบน้ํานะเที่ยมน้ําในห้วยดูยเย็นเย็นเนี่ยเมื่อกี้ที่ลงไปเดินนะเออนอนนี้ออนอนที่คืนนึงเนาะน ะ, <c oughs> นะโดยเฉพาะคนที่จะกลับไว้เนี่ยนอนนี่คืนหนะึ่งไปอาบน้ําน้ําในห้วย ที่ลงพาลงไปเมื่อกี้นะตรงลงไปนะหลวงพ่อกั้เนเป็นอ่างแล้วก็เอากระสอบใส่กั้นขึ้นมาน้ำสูงลงไปอาบในห้วยได้เลยแหละน้ำเย็นดีมากเลยนะเพราะงั้นก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันมาก็เ ข, าเข้าใจสำหรับทางด้านนี้เป็นกุฏิวชิกาหลายหลายห้องอเราก็าไปดู ก็วันนี้มาจากจังหวัดตากหรือไม่สอดเท่าไหร่สามวิสีคนแล้วมาจากพ่งนี้มาจากเชียงใหม่อีกสี่คนมันดูเข้ามาที่นี่ได้ อ, อยู่ที่นู่นแต่ถาม่อก่อนถามสมัครใจถ้าอยู่ที่นี่ก็เป็นอย่างนี้แนะยายแสงทองอยู่อยู่ที่นู่นนานต้องมาอยู่ที่นี่บ้างลองๆอ ง, องดูเดี๋ยวจะติดสบายเรามาอยู่แบบ นอนดึกตื่นเช้าอยู่อากาศธรรมชาติอจะดูเป็นได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างหน้าล้างตางกันนะดู่าห้วนี่นะจะไปดูที่วสิกาแล้วใครจะนอนก็อยู่ห้องบนได้อ่าปล่าปล่าพ้อมกันระหังสมมาสมพุทโธพะเขาว่า พุทธังพระวัญตังอภิวาเดมิสวัคตุวะพระวะตาธัมโมธัมมังนัมสาลิสุปฏิปันโนะพระขวะตัวสาวกสังโฆ สังขังนามามนิาอาบน้ำมึงก่อนนะใครจะไปดูค่ายด้านนี้ก็ข้ามไปเลยไม่ต้องกราบแล้วพอแล้วออืไม่ต้องกราบกราบพระหมดพอแล้วมีอาอบน้ำของบริสการด้านนี้ถ้าไปอาบน้ำในห้ยไปด้านโน้นนะแต่จะนอนก็หาที่อยู่เอาเอง